คุณสุภพัฒนาเหรอ <หา S 1> ใช่ไหมยินแลยเนาะค่ะยินเจ้าค่ะนักวิชการเจ้าค่ะพอาจารย์กาบนักวิชการเปลี่ยนชื่อเป็น Galaxy A สามสิบว่าใช่เนาะค่ะพอดโออโอีโยมเข้าโยมเข้าแบบซูมมาฮะไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ายูทูบอะค่ะลองเข้าดู the host is not allowing แปลว่าอะไรค่ะอันนี้เขาให้โอเค อนตอบโอเคเลยครับโอเคนะคะขอบคุณค่ะคุณบอยขอบคุณค่ะกล่าวนวัฒ ก, การพระอาจารย์อีทีเจ้าค่ะอืพอดีว่าครับกดตรงแอปสูม่มันก็เลยขึ้นมาเป็นแบบนี้อะคะ่ะอืมไม่เป็นไรนะก็เรียกเปลี่ยนชื่อนะไม่เปลี่ยน้ะค่ะไม่ได้เปลี่ยนได้ชื่อวัสดุพัฒนาเหมือนเดิมนะค่ะอืมก็ฟังพระอาจารย์ ทุกวันอยู่แล้วก็ตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่า ง, งานยุ่งปัญหาเยอะนะคะก็เหมือนกับเกิดความไม่พอใจบ่อยความโกรธบ่อยพอหกรแล้วก็พยายามหยุดค่ะ แ, แล้นึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ให้เมตตา<อ>ให้เยอมอก็คือท<อ>่นที่อาจาบอกว่า อ, อยอมไม่เขาว่ายอมไม่เขา กำลังทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ออ ย, ยอมหยุดเย็นสู่สามย่อก็ก็เอาค่ะพระอาจารย์ไปไปช่วยให้ตัวเองมีเหมือนกับคู่สิ่งที่มันเกิดได้แล้วก็พยายามทําใจให้สงบเวลาเราโกรธมากๆก็จะนิ่งพยายามสงบใจเหมือนที่พระอาจารย์ว่าคะ่ะก็ตอนนี้มันเหมือนกับว่าบางทีเรา อยากให้งานเราสําเร็จหรือว่าอยากให้มันได้ดังใจเราก็จะมองเออ่บางอย่างมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้ทางที่เราอยากแล้ววันนี้ก็เทปเทปที่ที่อาจารย์พูดวันนี้ก็เหมือนกับว่าให้หยุดอยากทุกอย่างแล้วมันก็จะทําให้เราจิตใจสงบพยายามทําอยู่เจ้าค่ะตอนนี้โอเค start up นะยอมหยุดเย็น อย่าพยายามกินดีตามมีตามเกิดสันโดษมาอะไรมามากมาน้อยก็ได้ไม่มาก็ได้ด่าก็ได้ชมก็ได้โอเคท่านต่อไปคุณพาะสนะสมรมสกานฉาพ่ออาจารย์ค่ะก็จะรายงานความคืบหน้าพระอาจารย์ค่ะ S <S อุบายพระอาจารย์ที่บอกว่าให้นั่งภาวนาทุกชั่วโมงเนี่ยเป็นอุบายที่แบบรู้สึกดีมากๆถึงแม้ว่าตัวเองก็ตั้งใจทําแต่ทําไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่สามารถจะทำทุกชั่วโมงได้พระอาจารย์แต่ว่าก็พยายามในแต่ละวันเนี่ยพยายามพยายามแบบเออ ม, มันเหมือนกันทําให้เราคุมสติได้ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเรามีพันสัญญาว่ามันจะต้องมานั่งสมาธิทุกชั่วโมงก็อาจจะเป็นสองชั่วโมงครั้งก็ครั้งละห้านาทีมันทําให้แบบเหมือนกับว่าเรา เรามองลมได้ได้ได้ง่ายได้ดีขึ้นนะคะพระอาจารย์อันนี้ชอบมาก<ม>เดี๋ยวอาทิตย์นี้จะทำนนจะทำอันนี้อันนี้อันนี้ที่ชอบมากแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ก็คือว่าตอนนี้ก็คือตื่นตีสี่ครึ่งตื่นมาเร็วขึ้นเพื่อจะทําตอนเช้าให้ได้ชั่วโมงครึ่งพระอาจารย์คือว่าตั้งใจว่าตอนเช้าจะให้มันยาวขึ้นเพราะว่าตอนเช้าได้ชั่วโมงครึ่งได้เพราะว่าเรากาหนดเวลาตื่นได้ตอนกลางวันก็คือฟังเทพพระอาจารย์แล้วก็ตอนเย็นเนี่ย มันจะมันจะได้น้อยหน่อยเพราะว่าบอกพอดีบางทีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยงานค่อนข้งางจะเยอะทํางานแล้วบางทีมันเหนื่อยก็เลยได้แค่สักสิบห้านาทีถึงครึ่งชั่วโมงตอนเย็นก็เลยมาตื่นตอนเชา้าก็ทําได้สามเวลาแล้วก็ได้สิบห้านาทีนะคะแต่พระอาจารย์เขามีคําถามคือว่าพอนั่งตอนเช้าเนี่ยตั้งใจจะให้ได้ชั่วโมงครึ่งแต่พอทําไปเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่แบบพอครึ่งชั่วโมงแล้วเจ็บใช่ไหมคะแล้วก็เราก็พยายามนั่งต่อ มันก็ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่พอเราเพิ่มเป็นชั่วโมงครึ่งอ่ะไอตอนชั่วโมงพอได้ชั่วโมงหนึ่งปุ๊บเนี้ยมันจะมันก็จะเริ่มเจ็บอ่ะมีมีเดี๋ยวเล่าก่อนนั้นมีวันหนึ่งเนี้ยพอเรานั่งถึงปุ๊บเนี้ยรู้สึกว่าจะได้อุบเบกขาแล้วพระอาจารย์เรารู้สึกว่าเอ้ยดีใจมากเลยพอดีใจปุ๊บหายไปเลย <laughs> กลายเป็นเวทน า, าทันทีก็เลยมีคําถามพระอาจารย์ะคะ่ะว่าตรงตรงช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงรอยต่อที่แบบมันเจ็บอ่ะมัน เราเราก็คือต้องเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคหรือว่าเราลุกขึ้นมาเดินจงกรมแล้วก็ลงมานั่งใหม่ให้มันครบชั่วโมงเครื่องที่เราตั้งใจอ๋อถ้านั่งต่อไปได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องลุกก็พุโทโธพุโทโธไปดูลมไปแล้วเดี๋ยวพอใจมีสติมันก็จะเป็นโอเบคขาใช่ไหมถ้าลุกเข้าไปก็เหมือนกลับไปเริ่มต้นใหม่ถ้าอยากจะทําต่อก็อย่าเพิ่งลุก พยายามพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวสักพักใจก็เป็นอุเบกขาขึ้นมาใหม่ตอนที่เป็นอุเบกขาแล้วมันหายไปเพราะเราไม่พุโทโธเราก็พอดีใจด้วยว่าจ๊ะมีมันเด็กตอไปดูไปถ้าแล้วปิติแบบดีใจวิดีใจแบบแล้วก็อยากอยากให้มัน อ, อพออยากป้อมันไี่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วค ก็เอ๊ะพระอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นก็คือว่าเราก็คือทําทําเอพยายามนั่งต่อแล้วก็ดูลมต่อคือพี่แล้วเราจะไม่ต้องคิดใช่ไหมพระอาจารย์คือสุแล้วให้เราคิดไหมว่ามันให้เราให้เราคิดไหมคะว่ามันเป็นเวชนาแล้วก็เดี๋ยวมันก็หายไปหรือว่าเราดูลมอย่างเดียวเราไม่ต้องไปสนใจอม่าไปคิดคิดเดี๋ยวมันก็มันก็อุเบกขาก็หายไปอืมอยู่ดูลมไปแล้วพุโทโธพุโทโธไป แล้วก็อีกอันหนึ่งพระอาจารย์คือว่าหน้าที่เราคือทําสติให้ได้ทั้งวันแล้วก็ทําอัปปนาสมาธิได้เพราะถ้ถาเกิดว่าได้อัปปนาสมาธิแล้ว น, นานปุ๊บเนี่ยเราก็ถึงจะสามารถไปเจริญปัญญาได้ใช่ไหมคะอาจารย์เราไม่ต้องผ่านเ อ, อ, ไ, ม อ, นเ อ, อไม่ต้องผ่านตรงที่เป็นเป็นฌานหรือว่าเป็นเอคือแบบอัปปนาแล้วก็เป็นปัญญาได้เลยใช่ไหมคะพระอาจารย์หรือว่าต้องทำํำ เ, เวลานั่งสมาธิทําฌานก็ไม่อย่าไปทําทางปัญญา ไม่ออกจากฌานก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาหมายถึงว่าถ้าหนูทำทำหมายถึงว่าถ้าเราทําถึงอัปปนาสมาธิปุ๊บเนี้ยเราสามารถที่จะไปตัดความความอยากโดยใช้ปัญญาได้เลยใช่ไหมคะท่านหรือเราไม่ต้องผ่านขั้นฌานใช่ไหมคะหรือว่าเราต้องผ่านขั้นฌานเหมือนเดิมก็อัปปนาสมาธิก็คือฌานนี่อ๋อก็คือแล้วก็ไปปัญญาได้เลยอยงั้นจะได้ตั้งใจในการทำมากจะค่ะโอเควันนี้มีอันนี้ หยุดสี่วันหล่าเนี่ยหยุดสี่วันเนไงแต่ว่าหยุดสี่วันหรือว่าพอดีมีมีงานค่ะพระอาจารย์ก็กล่าวว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะไปสองคือทุกทุกเดือนจะไปหาพระอาจารย์เนี่ยสองครั้งแล้วก็จะเอเดือนหน้าก็จะสิบแปดเป็นเป็นแปดครั้งนะคะเดือนนี้เดือนนี้นนถือสิบแปดได้ครบก็เดี๋ยววันจันทร์นี้ก็เป็นสิบแปดอีกสองครั้งก็คือครบสิบแปดทุกวันพระเนี่ยได้หมดแล้วแล้วก็เดือนหน้าจะเพิ่มสิบแปดให้เป็นอาทิตย์ละสองวันค่ะพระอาจารย์ ได้ศึกษาไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเพิ่มไปเพิ่มไปผลมันอยู่ที่การกระทําคือการปฏิบัติปฏิบัติมากผลนก็ตามมาเองสุปฏิปันโนเี่ยเราปฏิบัติมากได้กาลังใจจากพระอาจารย์ที่พูดเรื่อความเพียรนะคะคือพระอาจารย์บอกว่าถ้ามีความเพียรยังไงมันก็จะถึงก็เลยรู้สึกว่าเออนี้มันง่ายถ้าเราแค่มีความเพียรแล้วก็แล้วก็ส่งกันบ้านพระอาจารย์มีอะไรก็ถามยังไงก็น่าจะถึงได้อันที่แล้ความวยน ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่ไ้าค่ะไม่ใช่ความพเจียอยู่ที่ไหนความสำเร็จที่นั่นสเร็จนอนคะแล้วก็มีขันติ้ก็มีขันค่ะความพิจขันติพระอาจารย์เพราะว่าเนี่ยต้องเกิดยังไงก็ต้องผ่านความเจ็บไปให้ได้ไม่ยอมต้องพยายามค่ะดีโอเคนะแค่นี้่นนะคุณสายทิพย์ แมาสารคามใช่ไหมกับนักการพระอาจารย์ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้มาอยู่บ้านที่ขอนแก่นค่ะที่มาปกตสารคามมีคณะวิศวกรรมด้วยใช่ไหมมีค่ะวันนี้มีเด็กมาศึะค่ะมีเด็กมาฝึกงานที่มาต่อพุธเขามาทำบุญเมื่อเช้านี้อ๋อค่ะอ๋อแต่วก็ไปฝึกไกลเหมือนกัน ค่ะ อ, อยู่ใกล้ๆคณะค่ะอ๋อค่ะก็รายงานรายงานการปฏิบัติค่ะไม่ไม่รู้ก้าวหน้าหรือเปล่า <c oughs> เดิมที่พระอาจารย์บอกว่าให้ตั้งสัจจะว่าจะนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยวันละห้านาทีก็ตั้งแต่วันที่ที่บอกพระอาจารย์ว่าจะทำก็ ญญอยากยังไม่พร้อมจะทํามันก็อยากเรื่อยๆจนดึกอาจจะหกทุ่มตีหนึ่งก็ท้ายสุดก็ทําอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าบางทีมันเหมือนแบบยังไม่อยากนั่งสมาธิมันก็ยืดออกไปเรื่อยๆแต่เราก็รู้สึกว่าเราตั้งสัจจะแล้วก็ต้องทําค่ะทีนี้คราวที่เรานั่งสมาธิแล้วก็บอกพระอาจารย์ว่าเราไม่ได้ปวดขาไม่ได้ปวดอะไรค่ะพอนั่งเสร็จแล้วพอมันออกมาก็ออกมาเลยหมายถึงว่าพอออกมาแล้วก็โอเคออกออ ก, ออกแล้วนะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ ให้ให้เหมือนแบบทำต่อไปอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองนั่งสมาธิแล้วก็พอมันเหมือนว่าจิตที่มันไปสงบแล้วมันออกมาก็นั่งต่อค่ะอ่าวันทำได้รู้สึกว่าทําได้ความสงบอยู่สองวันก็คือมันจะเข้าไปสงบแล้วก็ออกมาแล้วเราก็นั่งต่อมันก็เข้าไปสงบเหมือนพอตอนสงบเรารู้สึกว่ามันสบายสบายค่ะมันสบายแล้วก็อยากนั่งคือนั่งแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะอะไรเงี้ยค่ะ ในความรู้สึกแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ถอนออกแต่เราก็นั่งต่อก็เลยลองดูประมาณเกือบชั่วโมงค่ะรู้สึกว่ามันจะเข้าสู่ความสงบสี่รอบหมายถึงว่าสี่ครั้งคือเราไม่ได้สงบตลอดมันเข้าแล้วก็ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําแบบนี้ได้ความสงบอยู่ประมาณสองวันวันต่อมาไปออกกําลังกายค่ะแล้วก็เลยปวดขาเราก็เลยมานั่งสมาธิแล้วมันก็เลยรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันเจ็บอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยไม่ได้ความสงบก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยสามวันค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าตอนที่เราป่วยตอนตอนที่ป่วยเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิเราน่าจะแบบเอ่อใช้ตรงเนี้ยค่ะฝึกมีความรู้สึกว่าถ้าเราเจ็บตอนสมมว่าเราใกล้ตายแล้วเราเจ็บอะไรเงี้ยค่ะสมาธิไม่น่าจะได้คงต้องต้องฝึกกับความเจ็บไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ uh, อันนี้คือที่ปฏิบัติค่ะนี่พยายามอยู่กับความเจ็บ อย่าไปกความเจิตอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายให้มันอยู่ตามเนื้อของมันไปเราก็อยู่กับมันไปค่ะแล้วก็พุทโธพุโธพุโธไปค่ะแต่พอมันเจ็บมันก็ไม่ได้ความสงบเลยค่ะมันเหมือนมันเหมือนลงไปสู่ความสู่ความสงบไม่ได้ค่ะเมเราไปสนใจความเจ็บเราไม่ไม่ควรไปสนใจความเจ็บควรกลับมาดูลมเลื่ยมาที่พุทโธพุทโธค่ะ ปล่อยความเจ็บไปตามอง<ช>พังไม่ต้องไปสนใจมาทำใจให้สงบด้วยการพุโทโธพุโทโธไป<ช>เหมือนเหมือนฝนตกไม่ต้องไปกังวลเรเรื่องฝนล้วก็พุโทโธเราไปปล่อยให้ฝนตกไปคว<ช>ามเจ็บ ก, ก็เหมือนฝนเนี่ยเร<ช>ปล่อยเจ็บไปเราก็ดูลมหายใจของเราไปเรื่อยๆใช่ดูลมเลยถ้าดูลมไม่ได้ก็พุโทโธพุโทโธไปหร<ช>ื <ๆ S 1> สอสวดมนต์ไปก็ได้ ส่วนนิติปิโสภาาักขวาอะหังจำมาสัมพุทโกันส่วนบทไหนก็ได้ที่เราเนืก้ออกจําได้ก็สวดไปสวดไปถ้า<ะ>เดียวมันก็จะอยู่กับความเจ็บได้อืมมันก็จะสงบใช่ไหมคะเอ่ามันก็จะสงบแล้วมันก็จะเป็นอุเบกขามันจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บคะ่ะเดี๋ยวอย่าไปร้ายวความเจ็บร้ายค่ะค อ, ยอย่าไปกลัวมัน อืมค่ะเดี๋ยวก็จะปฏิบัติต่อค่ะแดีวก็มารายงานกับพระอาจารย์อีกค่ะได้จ้ะสาธุสาธุาค่ะดเดี๋ยวไปท่านตอบไปนะค่ะคุณสุภัสอาจารคุณสุภั ส, สมีอะไรไหมครับกลับการมัตรการครับพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ลบบุรีครับ รบบรครับมามารายงานตัวครับใช่ไม่มีอะไรเด้ครับก็มามาขอรับพลังเพิ่มครับอ่าก็ฟังไปแล้วกันนะครับรับนรัตการครับอ่านคุณเอกคุเอกจากเชียงรายกับนวัตการพระอาจารย์ครับผมอ่าเชิญมีอะไรร่างกายสบายดีนะครับอ่ดีครับผม ก็วันนี้มารายงานให้พระอาจารย์ได้รับทราบในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ผมก็ปฏิบัติเหมือนปกติครับพระอาจารย์ตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าแล้วก็ช่วงช่วงตอนเย็นก็จะ เ, เดินจงกรมนะฮะก็ตั้งสัจจะว่าอย่างอย่างต่ําไม่เกินขั้นต่ำหนึ่งชั่วโมงครับแต่ก็ปฏิบัติตามตามนั้นนะฮะหนึ่งชั่วโมง ขึ้นไปนะฮะขั้นต่ําก็หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปจะถึงเ อ, อประมาณสองชั่วโมงครึ่งสมชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็นั่งสมาธิครับอาจารย์ช่วงเช้าช่วงเช้าก็จะมีตื่นมาตีสี่ก็นั่งสมาธิแล้วก็ช่วงสองสามวันที่ผ่านมามั น, ม, นมันดิน้นมันไม่ค่อยไม่ค่อยสงบในช่วงเช้าคระะับอาจารย์ก็สติแล้วไม่ค่อยดีสติยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยดีนะครับอื ม, อม ในตชเช้าครับก<ำ>็คุมความคิดไม่ได้มันก็เลยไม่สงบอ๋อครับอาจจะเป็นอะไนั่งแล้วอยากคิดครับอาจจะมีความอยากให้มันสงบหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยไม่สง บ, บครับนนอย่าไปสนใจครับผมสนใจ ท, ที่สติคือพุโทโธพุโทโธไปครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีความรู้สึกว่า มันรู้ตัวเพิ่มมากขึ้น่ะครับพระอาจารย์เวลามันมีความคิดเข้ามาหรือมีอภาษะเข้ามากระทบเนี้ยมีกระทบทางหูเนี้ยมันจะมันเหมือนมีตัวกองไว้ครับอาจารย์เหมือนว่าที่เราคิดแล้วเราจะพูดอะไรี้มันมันจะแบบมันจะรู้สึกตัวครับบางทีถ้าพูดไปแล้วมันมันทําให้เราแบบว่ามันต้องต้องทุกข์อะไรนี้ก็มันก็ไม่พูดอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีสติเพิ่มขึ้นประมาณนี้ครับอาจารย์เวลา เวลาที่จะโกรธหรืออะไรก็จะรู้ก่านนะอ้าวอย่าไปโกรนนะก็ก็วางจิตไปอีกแบบก็คิดเรื่องอื่นไปเนี่ยครับพระอาจารย์รู้สึกตัวปล่อยพยายามพยายามปล่อยวางอย่าไปตอบต้ข้ามูด<ม>เฉยแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปอืมข้าบผมข้าผ ม, าผมก็ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ ก็ตา ม, มที่ผ ม, มได้รายงานไปพยายามปฏิบัติให้ให้เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆครับผมอย่าไปคิดวอ้เอเราปฏิบัติมากแล้วพอแล้วอันนี้ยังเหียง ไ, ไม่พอครับผมเพราะว่าสัปดาห์ผ่านมาผมผมก็ตั้งใจว่าเออจะพยายามฝึกสติให้มากๆในการเดินจุกกลมให้มากานียครับถูกต้องเดินจุกกลมเป็นวิธีฝึกสติที่ดีที่สุดครับ แล้วก็มันมีบางวันพระอาจารย์ครับเวลาตอนที่เราเดินจงกรมนะครับเอ่อผมก็พุโทโธพุโทโธก็คือตั้งว่าประมาณพุโทโธสักเอ่อหนึ่งชั่วโมงถ้าหลังจากพุโทโธไปแล้วก็อ่อจะดูอาการสามสิบสองเนี้ยแต่ใจมันมันยังอยู่ที่พุโทโธครับอาจารย์มันมันติดอยู่พุโทโธพุโทโธอย่างเงี้ยครับแล้วก็พุโทโธไปแบบนดีแล้วแหละหติดกับพุโทโธไว้ก่อนอาการการนี้สองนี่ไว้ทีหลังก็ได้โอครับ เอาพุโทโธสองชัง่วโมงสามชั่วโมงไปเลยใช่ไหมครับพระาอาจารย์พุโทโธอย่างเดียวได้ที่นี้ผมผมก็ก็เดินก็เหมือนกับอาจารย์ได้เทศสั่งสอนไว้ที่ว่าเอาเดินรอบแรกก็เดินบนแต่ถ้าสักครึ่งชั่วโมงก็เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเนี่ยครับเออนี่ทําไปนะครับผมใส่กางเกงมานั่งต่ออืครับผมครับผมพระอาจารย์ เอ่อมีอะไรเพิ่มเติมให้ผมปฏิบัติเพิ่มเติมอย่างไหมครับก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นครับผมยายามเรื่องราวต่างๆที่เราไปอให้ความสนใจให้ความสําคัญให้มันน้อยลงครับผมเาะทุกอย่างมันก็เป็นเของไม่เที่ยงเป็นเของชั่วคราวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะครับการย่ออะไรไปไม่ได้ครับผมใช่ครับดูไปดีกว่าอ๋อสติไปดีกว่า ครับผมคุณเบิดาไปนีกวะครับผมครับผมน้องๆปฏิบัตินะครับตามที่อาจารย์ได้สั่งสอนครับปฏิบัติให้มากเป็นไปได้ครับผมครับผมกับขอพูดพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับผมสรรดาจากสัตยิบถชนบุรีคุณพรรดามีอะไรหมก่ามาชกการค่ะ ไม่อ๋อมีสอบถามนิดนึงเจ้าค่ะถ้าถ้าสมมติว่าเราทางานอย่างเงี้ยค่ะงานงานที่เราทําเป็นแบบเอ่อต้องต้องเหมือนพูดเสียงโฆษณาอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วโฆษณาอาจจะบอกว่าเป็นสินค้าแล้วบอกว่าอร่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังไม่เคยกินนี้เราโกหกไหมถามตัวเองดูก็แล้ว ก, กันเราไปดูว่ามันอร่อยได้ยางไง พูดเป็นตามตามสกคกิป๊ดอย่างงั้นเราก็ต้องเลือกเลือกงานก็ถ้ายังเลือกไม่ได้ก็โกหกไปก่อนแล้วกัน <c oughs> มันก็นโกหกว่างานแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้เพิ่งเพิ่งจะมาทำเพิ่งจะมาทําค่ะแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นด้วยมีแบบว่าบทความมีอย่างอื่นด้วยแต่ถ้าเป็นโฆษณาปุ๊บพอหนูทําหนูคิดว่าเอา้าวมันอร่อยหรือเ่าไม่เคยกินเห <c oughs> นูก็เลย ก็ลองกินใ้อยลองกินหน่อยแล้วลองไปซื้อเขามากินแล้ ว, ลวเราใช่คะ่ะหนูก็เลยแบบพอพูดไปแล้วพออัดไปแล้วก็เลยแบบว่าเอา๊ะน่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าเอ า, เอาไปแล้วช้าไปหน่อยนะ เ, เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเลือกงานนะคะเออถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้พูดจากตัวเราเองเราพูดจากบริษัทเอยให้พูดกับ อ่าตามอแล้วหนูก็คิดไปถึงเอาแล้วเขาจะไปเปิดอีกกี่ครั้งแล้วหนูก็ม่หนูคิดเยอะไปหรือเปล่าเรเขียนเซร์คิมาให้เราอ่านแล้วก็อ่านไปแล้วใช่ค่ะอ่านตามสซร์คิปอ่านไปก็เราอ่านไปก็อ่านไปไม่ได้หรอกมันแล้อ่านอะไรสักอย่างให้เราให้เราฟังเองก็ได้หรือเองก็ไม่ เรารู้สึกขัดในใจเราไม่อยากจะทําก็ว่าไปอะแต่ <ฮะ S 2> ยังจำเป็นต้องทําอยู่ค่ะได้ค่ะแค่ <ฮะ S 2> มีคําถามแค่นี้จะ้ะอันนี้ไม่ได้ส่งเสริมให้พูดปดนะแต่เขาเป็นอาหารเสริมแต่แค่หนูคิดว่าอ๋อเขาบอกว่าอร่อยต้องลองอย่างเงี้ยอร่อยต้องลองมันเป็นคําเชิญว่าอร่อยต้องลองแต่เราก็ยังไม่เคยกินว่ามันอร่อยจริงรึเปล่าแค่เนี้แหละค่ะก็เลยแบบว่า อ๋อหรือต้องไปซื้อมากินประมาณนี้ต้องเดี๋ยวต้องลองไปพิจารณาดูเจ้าค่ะมีท่านี้เลยวันนี้มีท่านี้ค่ะอย่างอื่นก็พยายามเรื่องซื้อของก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้ออะไรค่ะแบบที่แบบชอบออนไลน์อะไรก็ ยังไม่ได้ซื้อตั้งแต่วันนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ช็อปสิบเอดสิบเอ็ดก็รอด่ะที่เขามีโปรโมชั่นก็ไม่ได้ซื้ออ่ะอ่อย่าไปซื้อเลยเก็บเงินไว้ทําไปทําบุญดีกว่าแล้วค่ะหยุดสี่วันนี้จะได้ใส่บาหรับเปล่าสี่วันนี้จะไปพรุ่งนี้แล้วก็พอดีจะไปปฏิบัติธรรมที่โคราดอะค่ะอ่าเจ้าค่ะใส่บาที่โคราดก็ได้ครับถึงวันที่ยี่สิบสองเจ้าค่ะอ่า ค่ะอาจารย์เป็นสั้นักสงมาเรว่าเป็นเป็นเป็นเอ่อวัดอ่ะค่ะเป็นวั ด, ว, ดวัดป่าสว่างอารมณ์ค่ะอเคยไปมาแล้วเหนเคยแต่ไปไม่เคยไปปฏิบัติค่ะเคยแต่ไปไปไปค่ะว่าไปสักการะไปไปวัดเฉยๆะคะ่ะแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปถือศีล น, นะคะมีคนชวนไปหรือว่าไปไปเป็นคณะเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะ เป็นเป็นคณะใหญ่ชาตสที่ิบยชาติที่บด้วยพัทยาค่ะพัทยาค่ะก็เลยไปย0 2สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองเจ้าค่ะเออดีไปไปฝึกและเดี๋ยวเดือนธันวาก็ไปวัดยานแาลแนไว้แล้วได้ดีเจ้าค่ะอาทานี้ก่อนนะค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ คุณกัฟฟี่กัฟกฟี่อฟจากสุราษทธานีา้นมรสการครับว่ามาเป็นยังไงวันนี้มาสบายดีครับ<ม>ก็มาฟังครับผมมาฟังเรื่อยๆครับโอเคฟังไปงแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยนะอย่าไปฟังเฉยๆอาจารย์คือคืนนี้ครับเมื่อก่อนอะผมได้สมาธิแล้วก็ ตอนนี้ก็ไม่มีสมาธิผมเห็นสมาธิแบบว่าเหมือนแบบเห็นความเสื่อมความเจริญของสมาธิอะไรเงี้ยถ้าเราทําสมาธิใจเราก็มั่นคงหนักแน่นเราไม่ทําเราก็ไม่แม่นคงหนักแน่นเคยคิดเหมือนคิดว่าเหมือนสมาธิแน่นมากกันเองจะบรรลุธรรมมันก็ไม่ใช่ยอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็แบบมันเห็นระบบมันเห็นระบบของความเสื่อมความเจริญอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ไม่ทำก็เสื่อมเลยเยีาไปอยากั็ไม่ได้ีคัยครับอย่าไปวิเคราะห์ให้เสียเวลาเลยอยู่ที่เหตุกับผลอนี้อ่ะถ้าทำมันขี้เกียจใช่ไหมครับผมถ้าขี้เกียจมันก็ไม่ทำลองคุณไม่ทำงานดูเดี๋ยวรายได้กับผล ถ้าคุณไปเที่ยวแทนนี่จะไปทำงานครับคุณก็ต้องเหมือนปฏิบัติธรรมก็เหมือนการทำงานรายได้ก็คือผลคือความสงบต้องต้องในชาตินี้ใช่ไหมครับผมต้องวันนี้แหละปฏิบททัต <c oughs> ิทีนนเน <c oughs> ไปปิดเครื่องแล้วไปนั่งสมาธิเลยครับจะพยายามครับผมเนี่ยเนีย จะพยายามไม่ได้แล้วต้องทำาว่าอาจารย์สั่งได้ครับผมเดี๋ยวพอพอเริ่มประชุมแล้วก็นั่งต่อเลยนั่งสมาธิต่อไปนั่งตรงนี้ก็ได้เนี่ยนั่งหลับตาฟังไปก็ได้ได้ครับผมครับเดี๋ยวจะปฏิบัติเลยครับผมโอเคนะครับคุณออมคุณออมจะอยู่ที่ไหนจ้าอเมริกาค่ะอาจารย์ ม่อไรกับพี่จิ๊บพี่ฮวยอะค่ ะ, ะมาดิแด์มาดิแดนซีเวอร์สปริงอะนเนจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ใกล้ใกล้กันนะค ะ, ะมีอะไรไหมวันนี้มีเจ้าค่ะคื อ, อคือโยมมีความโชคดีนะคะที่รู้จักกาลยานามิตรที่ดีที่ช่วยโยม ทำบุญก็คือโยมโอนเงินไปให้ท่านแล้วให้ท่านทำบุญให้นะเจ้าค่ะทีนี้มันเอ่อก็มีคำถามว่าบางครั้งการโอนเงินเนี่ยมันก็มีจุดตังบ้างจุดบาทบ้างอะไรประมาณนี้นะเจ้าค่ะทีนี้เวลาโอนเงินบางครั้งก็คือก็ก็มีข้อสงสัยว่าคือ ลุงก็ได้บุญกับ อ, อ้อมอ้อมก็ได้บุญกับลุงใช่ไหมเจ้าคะ่ะเพราะว่าได้ลุงเป็นสภาบุญให้อ้อมนะเจ้าคะา่ะอาจา ร, ราย์บุญคนละอย่างบุญของอเราคือการเสียสละเงินทองบุญของเขาคือการช่วยเหลือผู้คนละอย่งางคนละอย่างการแต่ก็ได้บุญเช่นเดียวกันใช่ไหมเจ้าคะ่ะไดไ้แต่มากน้อยต่างกันอ๋อเจ้าคะ่ะทีเนี้แล้วที่เงินที่เป็นเศษสตางหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็คือ อย่างร้อยหนึ่งร้อยสิบห้าจุดห้าแล้วโอนไปแค่ร้อยหนึ่งบอกลงโอนไปแค่ร้อยหนึ่งแต่เหลือสิบห้าจุดห้าอย่างนี้แล้วถ้าอ้อมบอกว่าเออแล้วถ้าโยมบอกว่าเออลุงถ้าขาเกินอะไรหรือย ห, หรือลงโอนเกินไปยังไงยังไงไม่เป็นไม่ติดกรรมกันนะเจ้าค้าอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะ่ะอาจารย์เพราะบางครั้งมันมีการผิดพลาดกันบ้างอะไรเงี้ยโยมก็ไม่รู้โยมก็ว่าไปก่อนนะคะอ๋อก็ ก็แล้วแต่คนที่เขาเล่าไปว่าเขาจะทำยังไงก็จะโอนให้ครบเลยหรือเปล่าแล้วก็อ า, อาจจะเก็บไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายหรือค่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราไม่ไปเราไม่ไปติดใจก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ทำของเราไปโ ย, ย, ยมได้ยินคํานี้โยมดีใจมากเลยเจ้าค่ะคือคือโยมไม่มีปัญหาอะไรเจ้าค่ะแค่ลงุงไปคาบุญให้โยมแค่นี้โยมก็รู้สึก มากโชคดีมากเลยเจ้าค่ะดีคือหลวงเขาจะทํำยังไงก็แล้วแต่เขาใช่ใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะแต่แต่บางครั้งโยมก็อยากให้ลุงได้บุญด้วยการไม่อยากคือก็คือบางครั้งก็มีการนั่นคิดนี้อะไรนี้เจ้าค่ะก็แบ่งไปอีกส่วนนึงว่าขอทําบุญกับลุงไปก็แ ล, ล้วกันว่าโอ้ส<อ>าธุค่ะใช่คํานี้ดีมากเจ้าค่ะแล้วโยอมีอีก หนึ่งคำถามค่ะอาจารย์อ hmm. คือเอโยมทําสวนแบบคล้ายๆกับว่าเขาเรียกว่าล่ะพวกผักหรืออาหารที่ที่เราเนี้ยแล้วโยมก็ขุดก็คือใช้แบบปุ๋ยอ่ะปุ๋ยหมักค่ะอาจารย์ปุ๋ยหมั ก, มกทีนี้โยมขุดดินเวลาโยมขุดดินเนี้ยโยมก็เจอไส้เดือนเนี้ยค่ะเจ้าค่ะทีนี้บางครั้งขุดแล้วเจอไส้เดือนแล้วไส้เดือนมันขาดอ uh. อันนี้เราบาปไหมคะพระอาจารย์เราโดยทําโดยไม่ได้ตั้งใจนะเจ้าค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็เสียหายเนยะทําให้เขาเสียหายเสียหายก็ต้องระวังทําอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังแล้วเราขุดดินเราจะไปเจอไรไงว่าใส่เดินอยู่ตรงนั้นนะคะพระอาจารย์ก็ก็เทว่าก็ถ้าไม่อยากจะทํกาก็ไปซื้อผักมากินก็แล้วกันอย่าไปปลูกเอง เออพระอาจารย์มันบางครั้งเขาเรียกว่าอะไรอก็อยากทําแบบปุ๋ยหมกักดินดีอะไรเงี้ยพระอาจารย์แล้วแฟนก็เขาเป็นคนที่แบบว่านั้นมากแบบทําปุ๋ยหมักซีได้ดินดีอะไรเงี้ยโยมก็เลยอันนี้อยู่ที่ที่อเมริกาหรือว่าอยู่ที่ที่เมืองไทยที่อเมริกาเจ้าค่ะอ๋อก็อย่างที่ว่าเน่ยถ้าไม่อยากจะค่าไปค่าใช้เนินก็อยากไปขุดดิน เนี่ยยมพยายามจะไม่ทําวันกูนกับวันพักคุณทินเ <ไอ S 2> พรกลัพวพรกลัวเจอไม่อยากจะทำบาว่ายอมเสียเงินไปซื้อไปซื้อผักมากินเนื่องเขามีวิธีปลูกแบบไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ดินสมนัยนี้ใช้น้ำใช้ใช้น้ํายาอะไรลองใช้แบบนั้นดูไปศึกษาวิธีปลูกตอนนี้มีวิธีปลูกผักแบบอเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใช้ดินก็นได้ ได้เจ้าค่ะอืมยมก็คือจริงๆแล้วการปลูกผักนี่บางครั้งก็เขาเรียกว่าอะไรยมมีการในบางครั้งยมที่ว่าแบบ ด, ดิแพงกวก่าการไปซื้อด้วยซ้ําแต่บางครั้งเขาก็ชอบที่ทําแบบธรรมชาติอยากได้ดินที่ว่ามาจากปุ๋ยหมากอะไรเงี้ยเจ้าค่ายมก็เอ้ยอมยอ ม, ยอมไปเขาทำดิเขาอขอชอบงั้นเขาทำไปบ่เราไม่ชอบ โอ้พาจารนเดี๋ยวพูอย่างไงเลยเขาไม่ทําหรอกเจ้าค่ะโยมก็เลยทําบางครั้งโยมไม่อยากจะทําเลยแต่ก็ อ, อแค่นี้เจ้าค่ะขอบคุณมากค่ะพราจานโยมจะสู้ความอยากได้ปะเออโยมโยมว่าจะไม่ทํานะพาจา์เพราะว่ามันช่วงนี้เป็นช่วงวินเทอร์หนาวโยมก็จะเอาทิ้งขยะเอา <laughs> เอาทิศขยะเอาเพราะโยมไม่อยากทำบาปโยมองศา ร, รักษาสิ่พยายามรักษาสิ่งท่าให้เด็เมมากก็ไปซื้อผักมากินทั้งหมดเลยจริงๆแล้ ว, ลวโยมซื้อผักเจ้าค่ะโยมซื้อผักแต่เขาอยากได้ดินที่ว่ามีคุณภาพเพื่อว่าช่วงอช่วงซัมเมอร์หรืออะไรเงี้ยเขาจะได้ปลูกผักหรือปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรเนี่ยเจ้าค่ะเราปล่อยเขาทนเลยสิถ้าเขาอยากจะทําก็ปล่อยเขา น่เจ้าค่ะการมีคู่บางครั้งเราก็ต้องยอมมาเจ้าค่ะเขาไม่ทําหรอกพระอาจารย์อยงก็ยอมไปยอมไปก่อนแล้วกันยายยงก็ยอมไปแล้วเนี่ยพระอาจารย์บางครั้งบางครั้งเขาก็มีส่วนดีมากกว่าส่วนเสียก็อะไรพอยอมยมก็ยอมมาเจ้ า, าค่ะมึคุยกัาไม่ได้แล้ว่าพี่มนูไม่อยากจะฆ่าแทเ่เดือนเลย โอ้ยพ่ออาจารย์แค่เขาเห็นหนูไปทําบุญให้เห็นโยมไปทําบุญอย่างนั้นอย่างนี้นะพระอาจารย์แล้วเขาไม่ว่าโยมเนี้ยโยมก็มีความสุขแล้วพระอาจารย์เขาไม่เคยห้ามทําบุญเห็นเห็นโยมทําบุญเขาก็ไม่ห้ามโยมโยมแค่นี้โยมว่าเออโยมโชคดีแล้วที่เขาไม่ห้ามนะเจ้าค่ะโอเคแล้วแต่โยมแล้วแต่โยมไป็นคนทำโยมก็ไม่เป็นไรพระอาจารย์โยมก็จะซ่อมใส่ถังขยะเอาโยมพวกเาไม่ โยมก็ต้องไปผู้รับผลของกรรมที่โยมทำใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์ในเมื่อเขาไม่ทำเนาะเราก็ซ่อนเอาอขอบคุณมากครับบ้านโอเคนะอันนี้ก่อนนะเจ้าค่ะคุณเกศเลนจากเอ็นซียังไงกากนัดสการครับะอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะเจ้าค่ะอ่าดีจ้ะ ดีว่าเมื่อวันก่อนโยมขึ้นไปบนหลังคาไปตอไว้ไม้โยมเคยบอกกับพี่สาวู่ตลอดเวลาว่าถ้าตายโยมก็ไม่กลัวตายแต่พอเมื่อวันก่อนเกิดมันลื่นนะเจ้าค่ะอบันไดบันไดที่มันตต่ขึ้นมามันลื่นอ้าวแสดงว่ามันก็พูดไม่จริงสิบอกกับตัวเองนะเจ้าค่าะที่ไหนบอกว่าไม่กลัวตายไงแล้วชอบหลอกตัวเองก็ไม่กลัวตายนะยังไม่ยังไม่เจอของจริง พอเจอจริงๆแล้วเกิดใจมันหายวูบไปเลยเพราะว่าตอนระหว่างที่ว่าลงกำลังจะลงบันไดมาน่ะเจ้าค่ะพอดีว่าช่วงช่วงขามันลื่นอ้าวอๆาวอาวแสดงว่ากลัวไม่แสดงว่ากลัวไม่จริงอ่ียมมารายงานตัวเจ้าค่ะไม่มีอะไรปฏิบัติไปแล้วก็หลอกตันไว้แล้วไม่โกนนู่นไม่โกนนี่ยังไม่เจอคนจริง เจอค่ะพอเจอขอจริงแล้วถึงได้รู้ว่านี่ไง ห, หลอกตัวเองเจ้าค่ะต้องมีพิสูจน์ดิอ่ยดูเจ้าค่ะจริงเหตุการณ์จริงไม่กลัวเจ็บก็ลองนั่ให้มันเจ็บดูเลยนอนด้วยปล่อยให้มันเจ็บไปมีนั่งนั่งอยู่กับความเจ็บได้เปล่าพอดีว่าหลังคามันมันจะมีช่วงที่ว่ามันมันบีบนะเจ้าค่ะเวลาเราขึ้นไปเนี่ยแล้วแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวเป่ามันก็หนักนะเจ้าค่ะอื ก็คือก็คือทดสอบใจตัวเองไปด้วยในตัวว่ากลัวตายไหม ถ, ถ้าถ้าเอาให้แน่จริงขึ้นไปเลยเพ่อโยมก็ไม่กล้าปีหนหลังค่อยู่แล้วแต่ก็แต่ก็ทำเขาฝึกจิตไปในตัวเจ้ า, าค่ะใช่ <c oughs> อย่ไปเสี่ยงเลถ้ามันจำเป็นจริงก็อย่ า, อ ย, าอย่าขึ้นไปเลยปล่อยปล่อยใบไม้อยู่ไว้ตามเรื่องของมันมันมันมันมันมันจะไปติดในรางน่ะเจ้าค่ะถ้าไม่ขึ้นไปเตาเนี่ย มันจะติดในรางแล้วก็พวกแมลงสาดจะเยอะถอนรางทิ้งไม่ดีไม่ดีกว่าเลยได้ไม่นำไปปีนแล้วเนี่ยแล้วกูตีแล้วเมื่อก่อนก็มีลราก็ลองปีนเข้นไปเก็บใบไม้ที่อยู่ในรางที่เาแจนลงแกนลงแล้วให้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเกิดพลาดถ้าล้มลงไปกระดูกแตกอะไรนี่มันจะลําบากอะไรสางให้แล้วอย่างนี้ฝนฝนไม่สาดหรอเจ้าค่ะถ้าเราถอนรางออกนะเจ้าค่ะ ยกร้ายก็เปลี่ยนกันฝนมันก็ตกมันก็ต้องเปลี่ยนกแล้วก็ปั่นรักษาตัวเองอ๋อเจ้าค่ะอะไรเรรักษาร่างกายเราดีไม่ดีเดี๋ยวเกับขึ้นไปตะหกล้มหล่นลงมาพิการขึ้นมาเลยใครจะมาดูแลเราอะเจ้าค่ะอ่าทุกเจ้าค่ะพอเราไปเลยไม่เป็ถ้าเราไม่ได้ลองแล้วฝนก็นเก็บไว้กินไม่ไว้ใช้ไม่ใช่เป็นแต่การศาสตร์เท่านั้นเองอ๋อเจ้าค่ะ ปล่อยมันขาดไปไมีมีรอบ<ส>บ้านเลยเจ้าค่ะรางอ่ะหยุดแล้วเข้าไปเช็ดหน่อยก็ได้ถ้ามันถ้ามันแล้วแม่ก็ปล่อยให้มันแห้งของมันไปเองเจ้าค่ะอยนี้ปกติที่เราทํำนี่เราที่เราปลูกแต่เราหลังนี่เราไม่ไม่ใส่รางนะ้วเพราะนี้สมายนี้ที่ว่าจะไม่ต้องอาศัยน้ําฝนนะเพราะมีน้ําประปามีน้ําขวด มื่ก่อนจะไม่กนมัน อ, อ, องรอสายรองน้ําฝนมากินแต่โยมก็ไม่เข้าใจว่าเขาติดติดรางไว้ทําไมเขาก็ไม่ที่นี่เขาก็ไม่รองน้ําฝนนะเจ้าค่ะกอคงอยากไให้ไม่ให้ฝนมันน้ํามันตกลงมาข้างล่างบางครั้งใหม้มันลงไปในท่ออะไรอย่างนี้มันจะได้ไม่ทําให้พื้นที่เราอยู่ข้างล่างมันเละเทะ อ, อะไรขึ้นมาอ๋อเจ้าค่ะสาธุค่ะแต่มมมไม่มีฝนมาบังคับไม่แค่ไม่ต้องมีรางรอเป่า ไม่มีไม่มีกฎหมายบังคับเจ้าค่ะแล้วต้นไม้ที่บ้านเยอะมากเดี๋ยวอีกอาทิตย์กว่าๆโยมให้เขามาตัดเป็นบางต้นเพราะว่ามันมันเป็นเชื้อโรคเจ้าค่ะก็ปล่อยในล่างมันขังก็ปล่อยให้มันอยู่ขังอยู่ในล่างไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันเจ้าค่ะโยมก็ว่าจะตัดต้นไม้เพราะว่าโคลิเกนมันมันเยอะมากแถวเนี้ยนะเจ้าค่ะแล้วก็ปีแล้วมันเยอะแามเลย ชื่อไม่พอตั้งเลยต้องเปลี่ยนชื่อต้องเปลี่ยนวิธีตั้งชื่อเลยเจค่ะเจ้าค่ะโยมาในงานตัวเจ้าค่ะไม่มีคําถามเมืองที่เราอยู่นี่อยู่ใกล้ชายทะเลหรือเปล่าอยู่ใกล้อยู่อยู่ใกล้เจ้าค่ะอเพราะว่าช่วงเจ้าค่ะเจ้าค่ะแค่เอประมาณชั่วโมงเดียวเจ้าค่ะปชั่วโมง แต่ว่ารอบรอบรอบรอบโอ้โพายุมาไม่ไหวเลยเจ้าค่ะเก็บไปไม้เพลินมากเพราะต้นไม้ที่นี่เยอะมากเขาเหมือนกับว่าเขาอนุรักษ์นะเจ้าค่ะอโอเคจ้ะลางไปแล้วกันนะมีอะไรค่อยถามทีหลังก็ได้เจ้าค่ะกลาวนมัสการเจ้าค่ะคุณกล้องว่างคุณกล้อง มา ย, ยังไม่เปิดนะรัศกาครับเอ แ, แม่ไม่อยู่แล้วแม่เขาบอกว่าเส็งๆวันนี้ <laughs> เออเซ็งแล้ <laughs> อะไรนะครับอว่าไงมีอะไรไหมครับผมอพระอาจารย์ครับออยู่ที่บ้านนะครับแล้วเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยครับแล้วเสียงรถสิบล้ออะไรเงี้ยครับมัน รู้สึกว่าดังมากเลยครับงี้เร า, างี้เราต้องแก้ที่ที่ใจเราหรือว่าเราต้องอ<ต><ห> า, าที่เราเปลี่เสียงฟ้าร้องไปก็แล้วเสียงฝนตกไปในเวลาฝนตกฟ้าร้องเราไปแก้มันหรือเปล่าอืมครับเราก็อยู่กับมันไปได้ก็เหมอนเลยอย่าไปราคาญราคาญเพราะเราอยากให้มันหายมันก็เลยราคาญถ้าหันหันอยู่กับมันไปคิดว่ามันไปเหมือนฝนตกฟ้าร้อง เราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้อือครับหรือถ้าเราลาคาญก็เอาที่อุดหู่าอุดนะไมได้ครับ อ, อ๋ออย่าปักครับแต่ถ้าทําใจได้ดีที่สุดนะหันอยู่ก็มันคิดว่ามันเหมือนฝนตกฟ้าร้องไปอือครับแล้วต่อไปเราจะได้ปรับใจเราให้รับกับเรื่องราวต่างๆได้ นอกจากเสียงวา จ, จะมีเรื่องอื่นที่ทำให้เราลำคาญใจแล้วก็บอกวออ่าออมันเป็นอย่างนี้ชีวิ <c oughs> ตไครบังคับมันไม่ได้ตา่างต่างบังคับใจเราได้คนเดียว <c oughs> <Okay. S 2> ครับพระอาจารย์ครับอย่างไม่หมดเลยว่ <c oughs> ามาตอนตอนี้เด็กครับชอบข้าววัดครับพระอาจารย์ แต่พอเริ่มโตมาเงี้ยก็ไปเรียนบ้างแล้วก็แบบไม่ได้ไม่ได้เข้าวัดเลยมันรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาด้วยครับแต่ว่าพอโตมาแป๊บหนึ่งครับทีนี้เราพอเ ร, พอเราเริ่มทุกเนี่ยครับเราก็เริ่มเข้าวัดครับทีนี้ผมก็รู้สึกว่าก็คิดมันก็คิดก็กลัวเหมือนกันว่าสมมติต่อไปถ้าสมมุติชีวิตเราไม่ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยครับเราเราจะกลับมาไม่เข้าวัดอีกเงี้ยครับอาจารย์ก็บังคับให้เข้าวัดเป็นนิสัยสิ ว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยเป็นต้นไปทำบุญไปฟังเทศไปปฏิบัติธรรมอย่าไปปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์อยากเข้าก็เข้าไม่อยากเข้าก็ไม่เข้าทำให้มันเป็นกิจวัตรแฝงก็ถึงมีวันพระไว้นเนี่ยวันพระมีว่าให้เข้าวัดกัน แต่ทำไมนี่ถ้าวันพระไม่ต้องกับวันหยุดก็เอาวันหยุดมาเป็นวันพระแทนก็ได้วันเสาร์ที่วันไหนที่เราว่างก็ไปวัดสักวันหนึ่งไปทำกิจกรรมของชาวพุทธทำบุญทาทานนักษาศีลบางเพศ้องทําปฏิบัติธรรมไปครับมันจะได้มีรายหล่อเลี้ยงจิตใจเราครับพระเจ้าครับแล้วก็มีอีกคำถามนะครับดี แม่เขาตอนนั้นแม่เขาจะถามครับอพี่พี่สาวครับเป็นวันเกิดพี่สาวครับทีนี้เขาเขาอยากกินเพราะหอยแครงลวกหอยแมงมุมลวกเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนแม่เขาก็ไม่อยากทําแต่ว่าเหมือนเฉพาะเขาอยากให้แม่ทําเงี้ยครับอใครอยากจะกินก็ปล่อยเขาทำไปสิไม่ ย, ยุ่งยากยังไงเลยอือครับใช่ไหมครับ Okay, โอเคนะเขตครับพระอาจารย์มีอะไรแนะนําอีกไหมครับก็จะให้ให้รักษาศีล ร, รักษาธรรมะยิ่งกว่ารักษาคนอื่นเลยก็จะไม่ออใจเราก็ช่างเขาเถิดเรารึกษาธรรมะรักษาศีลไว้รรดีกว่าคนเดี๋ยวก็ต้องจากกันแนละ้วครแัแต่ถ้าเราไปทําบาสนี้บาปมันไปกับเราด้วยครับนะ ก็จะทำให้ให้รักษาใจรักษาธรรมยิ่งกว่ารักษาสินต่างๆเท่าไหร่ครับแล้วต้องเลือกเนอะถ้าต้องเลือกระหว่างธรรมกับเงินทองก็สลัดเงินทองไปถ้าต้องเลือกระหว่างคนก็กสลัดคนไปเอาธรรมไว้ดีกว่าสิลก็ทำครับเวลาตายเวลาคนไปไม่ได้เราของไปไม่ได้แต่เรเอาเอาบุญกับบาปไปกับเรา ครับโอเคนะเดี๋ยวถ้ามีคำถามแล้วค่อยถามใหม่นะครับครับสรรนายไม่อะไรจะถามหไหมหรือจะฟังเฉยเฉยฟังเฉยเจ้าค่ะกล่านมรกสกันอาจารย์เจ้าค่ะตอนิ่งว่างเลยค่ะเรื่องงานเร็วก็เถึงได้มีโอกาสฟังอาจารย์ได้ดีจ้ะสาธุเจริญฟังไปเรื่อยๆนะค่ะ คุณจี๊บจ่ายแมววิรนันกลาวนามนสัส ก, การค่ะพระอาจารย์ว่ามามีอะไรไหมอันนี้คือเมื่อคืนนิยมคิดว่ายมจิตตกไปคือคือยมก็พยายามฝึกสติใหแ้แนวแน่ให้แบบรู้อากอารมณ์รู้ตัว แต่พอเวลาถึงเวลาที่ช่วงฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงเช่นประจำเดือนจะมาเลยมันก็รู้นะคะว่าแบบเออมันใกล้วาระนี้แล้วแล้วก็แบ บ, แ บ, บพอมีเรื่องกระทบจากคนเดิมคือพ่อของลูกอะค่ะมันกระทบนิดนึงเราก็แบบคือด้วยความที่เราไม่ได้ไม่ได้เอาเขามาเป็นผลกระทบแต่แค่รู้สึกว่าสิ่งที่ลูกของเราไปซับพอร์ต เพราะเขามาต่อต้านเราอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบเสียใจเหมือนกันอันนี้ก็ยังคิดว่าเออกิเลสอันนี้มันเมื่อไหร่จะตัดได้ถ้าเรานั่งสมาธิบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆมันจะตัดตรงนี้เร็วขึ้นไหมคะพระอาจารย์ก็มันก็ช่วยได้นะแต่เราก็ต้องใช้ปัญญาว่าเราไปอ้ามเขาไม่ได้ใครก็จะทาอะไรก็ <c oughs> เ, เรื่องของเขาค่ะ <c oughs> แต่ <c oughs> แก้ <c oughs> ยอมรับกับการกระทำต่างๆของคนของคนอื่นเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ที่จะไปสั่งไปห้ามเขาได้ใช่เจ้าค่ะก็คือเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องให้เขาทำไปแต่เรารู้ตัวว่าเราควรจะทำอะไรก็พอ<ม>ใช่ไหมเจ้าค่ะใแล้วก็ควรที่จะนิ่งเฉยเสียอย่าไปรู้สึกเสียใจอะไรคือเราก็รู้สึกแบบ ไม่ได้ไม่ได้อะไรแต่พอพอมานั่งพอเริ่มแบบพอตอนเช้าตื่นมาอย่างวันเช้าวันนี้ก็มานั่งมองเมื่อคืนแบบเออเนาะเราไม่ได้อารมณ์เสียใส่ลูกนะคะเพียงแต่ว่าแค่มันเศร้าหมองเฉยๆลูกก็เห็นและลูกก็แบบแม่ขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้พูดเพื่อจะให้ซัพพอร์ตคุณพ่อเนาะเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาก็แค่ทําตัวเป็นกลางอะไรอย่างเงี้ยโยมก็เลยแบบเออม ไม่เป็นไรแม่เข้าใจแต่แม่ไม่อยากให้ลูกต้องมาเป็นคนกลางระหว่างพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้เราแยกบ้านกันก็เลยแบบเออบางทีมันก็แบบเหนื่อยเหมือนกันที่ต้องมาเดียวกับคนผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขาเอาลูกมาเป็นเครื่องมือยมก็แบบ ร, รู้รู้ว่าเขาทําแบบนี้แต่บางทีมันก็แบบเศร้าไปก็เลยเออจะพยายามค่ะ ย, ายามจะพยายามไม่ไม่ให้มันเศร้าหมองมากมากไปจะพยายามปรับตัวเองให้มันมากขึ้นค่ะ แล้ว็ตั้งใจกว้างเพราเขากับเขากันก็เป็นพ่อลูกกันเขาก็ต้องอ่ารันพ่อเขาเหมือนเขารักแม่นะใช่ไหมใช่เจ้าค่ะใช่ค่ะยม<ร>ก็เลยเ<ร>ไม่<ะ>ไม่ชอบพ่อเราแล้วจะไปให้ลูกลกันทะเลาะกับพ่อตามเราไม่คนละเรื่องกันไม่ ใ, ใช่คือยมไม่ได้ให้เขามาซัพพอร์ตไม่ได้ให้ลูกมาเข้าข้างอะไรนะคะเพียงแต่ว่าไม่อยากให้ลูกอยู่ตรงกลางไม่อยากให้ลูกต้องมารับรู้ไม่อยากให้ลูกต้องพูดอะไรคืออยากให้ลูก เขาคงยังคิดไม่ได้มั้งคะว่าเขาจะต้องเดินหนีหรือว่าไม่ฟังอะไรแบบนี้คะ่ะเออก็อย่างว่าเราไปอยากไปอยากสลปล่อยเขาเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทาไปได้ค่ะก็ก็คงอย่างนี้ยังมีแสดงว่ายังมีความอยากอยู่อยากนน่น อ, อยากนี่เป็นเป็นกิเลสที่มันต้องแก้เนี้ยคะ่ะเ <laughs> ออแล้ววันนั้นยมฟังเทปของพระอาจารย์เมื่อสี่ปีที่แล้วะคะ่ะพูดเรื่องว่าอเออถ้าเรา น้ำเอ่อถ้าเราอยากกินกาแฟาเราก็ไม่ต้องไม่กินให้ดื่มน้ําแทนอยากดื่มชาไปดื่มให้ดื่มซะน้ําแทนมันเป็นการลดกิเลสแล้วตอนที่เรายิฟังว่าอาจารย์ยมกําลังโอ้อยากจะไปกินชานมไข่หมกพอดีเลยมา <laughs> <laughs> ฟังว่าอาจารย์วยาอุ้ยเึกษฐ์อาจารย์อ่านใจยมตั้งแต่สี่ปีที่แล้วอ่านทุกวันอ่านใจว่าเราทุกคนเหมือนกันฮะมีความอยากัลอยากได้รูปถึงกินลดอยากกินอยากดื่ม ค่ะบางที่ยอมว่าเออเราลดกิเลสลงไปแล้วนั่นเราปฏิบัติทําเออเรามีสมาธิเรามีสติเราลดกิเลสล้วแต่บางครั้งมันก็เป็นการเข้าข้างปรุงแต่งที่ผิดผิดเหมือนกันว่าเราลดได้แล้วแต่จริงมันก็อาจจะยังไม่ได้มากก็ได้ต้องจริงจริงก็ถ้าหิวนั่งก็ดื่มน้ําลยปล่เป่าก็พออย่าไปต้องให้มันมีน้ําชาน้ําเขียวน้ําแดงอะไรแต่บางทีมันต้องการความหวานนิดนึงฮะทํางานแบบ เ, ออเครียดเออขาหวานนิดนึงอันนั้นก็คือกิเลส <laughs> ค่ะอ๋อแล้วเมื่อกี้ค่ะที่โยมฟังน้องอ้อมน้องอ้อมที่พูดเรื่องทําบุญที่ฝากลุงทําบุญคุณลุงคนนั้นคือพ่อของโยมเองค่ะน้องอ้อมกับโยมอยู่ใกล้กันห่างกันประมาณสี่เจ้าค่ะก็เราโอนเงินน้องอ้อมก็จะฝากให้โยมโอนให้คุณพ่อคุณพ่อก็จะเป็น บุญให้น้องอ้อมแต่บางครั้งการโอนเงินดอลลาร์มันจะเป็นแบบสมมติถ้าโอนเอาโอนสิบดอลลาร์มันก็อาจจะเป็นสามสิบจุดสองสามใช่ไหมคะ mm hmm. มันก็จะหนึ่งร้อยเหรียญกว่าสมมติหน mm ึ่งร้อยเหรียญสสห้าสตางค์แต่บางครั้ง mm hmm. น้องอ้อมก็จะบอกพ่อให้ทําบุญหนึ่งร้อยแต่มันจะมีเศษตกค้างอยู่กับคุณพ่อสามสิบห้าสตางค์ซึ่ง mm hmm. บางครั้งพ่อก็จะแบบ เศษสตังนี้จะทํำยังไงพอดีมีพี่คนหนึ่งมาพูดว่าเนี่ยการเป็นสะพานบุญทําให้ตกนรกได้ง่ายๆเลยนะซึ่งโยมก็แบบกําน้องอ้อมก็เอ๊ะอย่างนี้พ่อโยมจะตกนรกไหมถ้าเก็บไอ้พวกเศษสตังนี้ไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่พ่อไม่แล้วราก็บอกให้ให้พ่อเข้าไปแล้วก็บอกส่วนที่เหลืออยากทําบุญก็ยกให้พ่อไปกันแล้วแต่แต่พ่อจะไปทไําเลย เหมือนยงผมต้องไปบอกน้องอ้อมคงทราบแล้วล่ะค่ะพอพระอาจารย์ก็บอกอ้อมไปบอกพ่อยมแบบนั้นค่ะดูขอทําบุญร้ อ, อ, อยหนึ่งส่วนที่มันมีเศษนี่ก็ยกให้ ค, คุณพ่อไปก็แล้วกันขอทำบุญคพ่อแบบค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้ไม่มีอะไรมีคําถามแค่นี้แล้วก็อยากจะแค่มาทักทายพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะโอเคแล้วพวกเราเจอกันบ่อยไหมคนไทยที่อยู่ที่มรีแลด์นี่เจอกันค่ะ ผมจะเจอน้องอ้อมพอดีช่วงโควิดน้องอ้อมก็ไม่ค่อยออกมาข้างนอกมากเท่าไหร่ยมก็จะเจอแบบเดือนละครั้งแต่ถ้าเกิดไม่มีโควิดนี่เจอกันทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหลายวันเลยเจ้าค่ะมีที่เจอกันหรือเปล่ามีวัดมีอะไรที่ไปเจอกัางมีวัดธรรมมีที่นี่มีวัดที่ใกล้มีประมาณสมวัดค่ะวัดธรรมที่วัดป่าแล้วก็ วัดไทยดีออสี่วัดค่ะแล้วก็วัดยานซึ่งอยู่เวอร์จิเนียคือสี่วัดที่อยู่รอบจะใช้เวลาขับจากบ้านโยมไปประมาณห้าสิบนาทีค่ะอ๋อก็จะเจอการท่างานบูญงานอะไรเราก็จะรวมกันไปอย่างอย่างสิลินสิลินเพื่อนฉุดสิลินทอนใช่สิลินทอนก็อยู่ใกล้กันเหมือนกันค่ะก็จะไปที่วสามคนนี้ค่ะเราสคนก็จะค่ะโอเค จะได้มีพลังกำลังใจให้ต่อกันแล้วกันค่ะยมก็เป็นกําลังใจช่วงน้องอ้อมไม่สบายเนี่ยค่ะก็พยายามให้กําลังใจน้องเหมือนกันว่าเขาพู ด, ดหัวไม่เป็นไรนะบอกพระจะฝากบอกพระจะฝากบอกน้องอ้อมไปแล้วว่าตอนนั้นพระอาจะบอกวให้ท่องพูดโธไว้ปวดก็พูดโธปวดก็พูดโธรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามทำได้ค่ะค่ะค่ะ ภาพนะคะโมธนาสาทุกับทุกท่านค่ะเอ็นเจออกมาโชว์ตัวแล้วนะเอ็นเจคุณออดี้อาห้าจากนกเกลือมีอะไรไ้ยวันนี้กรรมธรรมสการค่ะอาจารย์ไม่มีค่ะ S <S เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟังธรรมพระอาจารย์แต่ว่าพรุ่งนี้จะมาอาีแล้วก็หลานสาวไปด้วยพอดีปิดเทอมมาเที่ยวพัทยานหนูเลยชวนให้ไปวัดกันค่ะจะไปให้ไปฟังพระอาจารย์ได้ยังไงพรุ่ง น, น, น, นี้นะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ไปวัดค่ะพระอาจารย์รัสษา ก, การค่ะอันนี้ไม่มีตรวจได้อันนี้ อันนี้เปิดกล้องหมดแล้วได้คุยกันหมดแล้วทุกคนในการอยากจะถามอะไรก็ยกมือแล้วก็ถามได้เลยก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้ผู้ที่เข้ามาทุกคนก็ได้ถามกันแล้วผู้ที่ไม่ได้ถามก็คือผู้ที่ไม่ได้เปิดเปิดกล้องอแสดงว่าต้องการจะฟังอย่างเดียวมีคําถามจากทางเฟซบุ๊กครับอาจารย์หกคาถามเอาเลยเชิญเลย คำถามจาก Facebook เจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณวินเทรดเดอร์ฝ่าแอดมินกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าเรามีโอกาสได้เข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทนี้มีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกเบียร์ด้วยการเข้าไปทำงานบริษัทนี้จะถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะที่ขัดต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าครับ ก็ผิดเนี่ยเพราะว่ามันมีการจำหน่ายชวรายาเมาอยู่มีการผลิตชวรายาเมาก็ mm hmm. ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็คนจะหลีกเลี่ยงเปลี่ยนว่าเห็นที่ทำงานใหม่ได้ก็เปลี่ยนไปถ้ายังเปลี่ยนไม่ได้ก็ก็ทำไปก่อนแล้วก็หาหาโอกาสหาสถานที่ใหม่ไปทำต่อคาถามต่อไปจากคุณวันวา น, วานไม่มีเขาวันนี้ไม่มีเรา นมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์กระผมอยากเรียนถามว่าแล้วเวลาที่เรานั่งปวดมากๆตั้งแต่หนึ่งถึงสองชั่วโมงขึ้นไปเริ่มปวดมากแล้วบางทีกระผมสับสนว่าจะดูจิตที่มันกำลังดิ้นลนกับเปธนาที่เกิดหรือจะใช้ปัญญาในการพิจารณาไปดีครับหรือที่เราถนัดที่สุดครับก็ดูจิตไปไม่ได้หรอกดูไปมันก็ไม่ได้ไปทาอะไร ต้องชาตาใช้ปัญญาก็พิจารณาให้เห็นว่าเวทนาเป็นใจลักแล้วก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าพิจารณาไม่ได้ก็ใช้สติพุโทโธไปก่อนก็ได้ต่องพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บคำถามต่อไปจากคุณธนากรมีสองคำถามเจ้าค่ะใจเป็นใหญ่เป็นประธานของสิ่งทั้งปวงเอาใจเป็นหลัก เจตนาเป็นตัวกรรมใช่ไหมคะอย่าไปคิดมากกุญแจเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูแลรักษายิ่งกว่าสิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้รักษาใาจาให้สงบคาถามต่อไปคือกรรมเกิดจากผัสสะใช่ไหมคะกรรมกรรมเกิดจากความคิดเนี่ยมโนกรร ม, มต้องคิด ก่อนว่าจะทำอะไรแล้วมันก็จะพูดไปแล้วก็ทำไปตัวที่เริ่มกรรมก็คือมโนกรรมความคิดเนี่ยคำถามต่อไปจากคุณสมาร์ทอินพรสิท์กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการที่จะให้เป็นแต่สักว่ารู้แต่สักว่าเห็น ควรทำอย่างไรครับถ้าเห็นแล้วควรพิจนารณาลงไปที่ไหนหรือไม่ต้องไปคิดอะไรเลยครับขอบคุณครับก็ต้องฝึกสมาธิให้จิตเป็นอุเบกขาก่อนอมันก็จะเห็นเฉยเฉได้ยินเฉยเฉยมันจะไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งที่ได้ยินได้เห็นแต่ถ้ายังไม่ได้สมาธินันก็ยังไงมันก็จะไม่มีปฏิกิริยา คำถามต่อไปจากทางยู u ู e คุณอูกราเรียนถามพระอาจารย์เคยได้ยินว่าสุดท้ายจะไปนิพพานได้ธรรมะก็ต้องปล่อยไม่ทราบว่าหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะสาธุคะ่ะอ๋อคือธรรมะเป็นเหมือนสะพานตอนเราเดินข้ามฟ้าไปทงนีกฟ้าถนึงได้เราก็เราก็ทิ้งสะพานไปแล้วก็ไม่ทำไปสนใจกับสะพาน เหมือนเรือเรือที่เรานั่งข้ามฟากจากฟากนี้ไปฟากนั้นพอเรือพาเราไปถึงฟากนู้นแ้วเราก็ไม่นั่งอยู่ในเรือแล้วก็ลงจากเรือไปนั้นเองส่วนมากเราก็เมื่อได้นิพพานแล้วเราก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรอีกแล้วมันไม่มีอะไรต้องให้ปฏิบัติเหมือนกินยาเนี่ยเวลาโรคหายใกล้เจ็บยังไม่หายเราก็ต้องกินยาไปเรื่อยๆพอโรคหายแล้วเราก็หยุดกินยาประมาณนี้น คำถามสุดท้ายจากคุณศิลิ์ป่าเยนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเริ่มแรกนั่งสมาธิต้องทำอย่างไรเจ้าคะก็ต้องฝึกสติก่อ น, นต้องอทำพุโทโธพุโทโธแล้วทอะไรก็ให้มีสติอเอาแค่ที่เราทำอยู่อย่างนี้อย่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วพอเวล า, เามานั่งเราก็จะได้มีสติคอยควบคุมความคิดได้ เวลานั่งก็ดูลมหายใจเขาออกไปในทําพุโทโธพุทธโถไปแล้วเจ้าค่ะมีคนเข้ามาใหม่ใชไห ม, มหลายลนมีครับเอ่อ ต, ตอนที่คุณไอพีดีจเอยกยกมือครับจากเยอมันคุณไอ d g ดีครับค่ะแป๊บนะคะนามสการค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะอาจารย์ หายไปได้อาทิตย์นี้นะอาทิตย์ที่แล้วมาค่ะพระอาจารย์เข้าไปดูภาคภาษาอังกฤษแต่ว่าคนคนเยอะมากเลยไม่ได้ถามคะ่ะเแล้เอเข้เาไปภาคภาษภาไทยอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่ทันค่ะกลับมาจากที่ทํางานอา จ, รอ า, จารย์พระอาจารย์เลิกไลฟ์พอดีเลยโยมเข้ามาก็เลยไม่ทันค่ะแต่วันนี้ที่เยอรมันเป็นฮอลลเดย์ค่ะวันหยุดก็เลยก็เลยได้ได้ถามค่ะพระอาจารย์ใครโยมนี้อันนี้ที่เยอรมันกี่โมงอาจารยนนี้เอ่า ใบสามมุตรงค่ะส า, ามมถวันทำงานก็ยังมาทำงานอยู่ในชะ่ไหมใช่ค่ะ ใ, <น S 2> ใช่ค่ะยมมีคำถามคำถามแรกนะคะจะเป็นอ่าส่วนตัวนิดนึงคือยมมีลูกชาย<อ>ที่เป็นวัยรุ่นนะคะท่นานอาจารย์ปกติแล้วก่อนหน้าที่ยมจะป่วยสามปีก่อนนะคะเราใกล้ชิดมากแล้วแม่ก็จะติวหนังสือให้ตอนวาทยาลัษเคมีแล้วก็อ่า แค่ทุกทุกวิชาที่ลูกมีปัญหาแล้วพอยมป่วยยมก็ต้องดูแลรักษาตัวเองใช่ไหมคะใช้เวลานานกว่าจะฟื้นตัวก็สองปีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็พอฟื้นตัวได้ปุ๊บยมก็เริ่มภาวนาก็แบ่งเวลาเจียดเวลาไปภาวนาตอนนี้ลูกเป็นวัยรุ่นแล้วอาดื้อคะ่ะเกเรแล้วก็เริ่มต่อต้านแม่ไม่ค่อยอยากให้แม่ช่วยอะไรเหมือนเดิมแล้ว จริงๆยมก็อยากให้แบบซิวหนังสืออะไรให้เขาแต่เขาปฏิเสธเราทุกอย่างเลยค่ะชาวนี้ก็เหมือนกันจะไปช่วยช่วยเขาเก็บห้องด้วยเขาให้ก็าพึ่งตัวเองให้เขาพึ่งตัวเองบางีเราลากเขามากเกินไปทำให้เขาเป็นคนพิการเลยแต่ก็ทําไปทําไปเขาทําไปไม่ต้องไปยุ่งหมดเลยค่ะแค่อยากให้เขาปรับปรุงเหมือนถ้าเกิดว่าที่ยมช่วยได้ก็อยากจะช่วยให้แบบ ผลการเรียนก็เตื้องขึ้นมาบ้างอะไรย่แต่เขาบอกไม่เอาไม่ให้แม่ช่วยอะไรอย่างนี้ยค่ะไม่ให้ช่วยก็ปล่อยเขาไปตามแนวทองยอมต้องทําใจหนักมากเลยค่ะทั้งอาจารย์ค่ะอะหมายถึงว่าต้องอวางกูเบกขาอย่างหนักนะคะถ้าจะปล่อยอย่างนั้นนะคะอะก็ต้องวางกูเบกขาเนื่ากเจะไม่สบายใจถ้าอย่างเราก็ไปท้าทายลูกใช่ค่ะวันนี้แบบกลับสาโดนแล้วกีนเราที่มีเสียหายมากไปกว่า น, นั้นค่ะ ก็เราบอกเขาว่าท่านประการให้แม่ช่วยอนะไรก็บอกว่าแค่นี้ก็จบไม่ได้ช่วยก็กล่าเก็ทําทไปค่อไปเขาก็ต้องอยู่ของเขาคนเดียวเขายังไม่ได้อยู่กับเราตลอดอือค่ะใช่ค่ะเร า, าช่วยตัวเองดีที่สุดช่วยตัวเองไปอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าสามีโยมเป็นคนที่เรียนเก่งอ่ะนะคะท่านอาจารย์ได้ทุนได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าเราก็ไปเจอกันเมืองนอกเพราะว่าเราได้ทุนไปแล้วเราก็ ตัวโยมอ่ะเริ่มเข้าใจแล้วแล้วก็เริ่มทําใจได้ว่าโยมไม่ควรจะเอาสิ่งที่โยมเคยทําได้หรือ ว, ว่าความฝันของเราไปวางไว้บนบ่าลูกซึ่งโยมทําใจแล้วว่าเกิดเขาจะไม่เรียนมาหาลัยเขาจะอะไรได้หมดแต่ว่าสามียังทําใจไม่ได้ค่ะทําไงดีคะไม่มีอของเขาเลยใจของเขาเราไปเกจะทําอะไรได้ที่ไหนอะแล้วก็บอกเขาว่าก็บอกเขาว่าว่าเขาลูกเขาก็ต้องมีความเป็นตัวตนของเขา เขามีนิสัยมีความรู้ความสามารถของเขาไม่เหมือนเราย้ายเขาเป็นเหมือนเราไม่ได้หรอกแต่แล้วก็คอยสนับสนุนเขาอย่าไปโกรธเขาถ้าเขาไม่ไปในทางที่เราต้องการเขาไปค่ะอ่าเรา <c oughs> อีกคำถามหนึ่งนะคะเป็นธมามะมั่งค่ะทีนี้อ่าพระอาจารย์ค้ายม อยากให้พระอาจารย์อธิบายสภาพที่กายแยกออกจากจิตได้มันเป็นยังไงล่ะคะอ๋อก็เป็นเหมือนกับเรากับร่างกายเป็นเหมือนคนสองคนอันนี้มันมาอยู่ที่เดียวกันอยู่ในตัวเดียวกันพอเราฝึกนั่งสมาธิมันก็จะแยกออกจากกันร่นางกายอยู่ตรงนี้ใจอยู่ตรงนี้คนคนรู้คนคิดนั่งอยู่ตรงนี้ร่างกายนั่งเองตรงนี้ อยู่คนจุดกันเวลานี้ยต้องทําด้วยสมาธิมแล้วมันก็จะแยกออกจากกันคอันนี้เป็นนึกไม่นั่งนึกคิดไม่ได้หรอกมันต้องต้องแยกด้วยการฝึกสมาธิก็าเนื่องกำลังเรานึ่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเรากับร่างกายเป็นคนเดียวกันแต่นี้เรากับร่างกายนี่เป็นคนละคนเราผู้รู้ผู้คิดกับร่างกายนี่เป็นคนละคนกัน เป็นสองคนใจเป็นลมใจเป็นบ้าค่ะกำลังคิดอยู่ว่าตัวเองเคยเห็นอย่างนี้ในสมาธิไหมไม่รู้ค่ะตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะอยังไม่เห็นว่าท่านยังไม่รู้ก็ยังไม่เห็นคือหลับตาลงไปอ่ะค่ะเคยเคยเคยไปปฏิบัติที่วัดนะคะผ่าท่านว่าอะหลับตาลงหลับตาแล้วเห็นจิตไหมก็บอกเห็นค่ะท่านก็บอกอ้ามันก็แยกแล้วหนีถ้าอย่างนั้นแต่โยมก็เอ๊ะมันเป็นง่ายได้ค่ะ อันนี้ไม่ของนี้เขาไม่ต้องมาถามหรอกอันนี้มันก็สันทิตโกมันจะรู้ใจเห็นเองค่ะยังไม่รู้ไม่เห็นแม้เขาถามก็พูดไปตามภาษาอายก็าบเห็นไหมเห็นก็เห็นนะคะค่ะโยมก็ยังงงๆอะค่ะท่านอาจารย์ค่ะถ้ายังงงว่าอะไรว่ายังไม่เห็นอเห็นแล้วมันไม่งงอะไม่เป็ดไรละฝปิไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะ วันนี้โยมมีค ำ, คำถามแค่นี้ค่ะท่านร้อยจานขอบคุณค่ะท่านต่อไปคือสุภาทร์จากดัลัสคนมาหลายต่างประเทศหลายคนัวนี้แมร์วิลล์แนด์ดลัสเยอรมันยังไงหายอย่างนี้ดีขึ้นเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ ดีดีขึ้นเลยค่ะวันนี้ลูกมีคําถามสองข้อเจ้าค่ะอ่าเชียงเลยข้อข้อแรกนะคะเจ้าค่ะกะคะะ็คือว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านจะละสังโยชน์ได้สามข้อใช่ไหมเจ้าค่ะอ่าทีนี้ถ้าละสามข้อนั้นคือคือเ ว, เวลาละนี่คือละพวดเดียวทั้งสามหรือว่าละทีละข้อเจ้าคะอมันพูดเดียวทั้งสามเนี่ย มันละธ้าละสกกายทิฏฐินด้มันก็จะละไอละวิชิกิจฉาความรังลเลยสงสัยอะไรพระพูดธประธรรมวสอได้แต่มันก็จะละการรูปคำสีได้อืมก็คือพวดพเดียวทีเดียวเลยสามข้อทีเดียวพร้อมกันแต่มาพร้อมกันก็ได้เราะว่าตามกันมาก็ได้มันจะเข้าใจเพอมั น, นมีดวงตาทำมันก็ไม่สงสัยว่ามีพระพุทธประธรรมว่าสองจริงหรือไม่ แล้วมันเห็นกฎเห็กรร ม, มแทนที่เราทำทำทำบาปก็จะทุกข์ไม่ทำบาปก็ไม่ทุกข์ตามันก็ไม่รู้คำสิ่ง ม, มันก็จยรักษาสิ่งนี้มาชีวิตอืออือแล้วแล้วถ้าถ้าตามกันมานี่คือตามกันติดมาหรือว่าบางทีระยะห่างพอสมควรค่อยตามเจ้าคะมันก็อันนี้เราไม่รู้จะพูด ย, ยังไงก่าอ๋อนะคะ มันมันก็จะเข้าใจไปในตัวของมันเองมันจะรับรู้รใจดูนี้โยมตาเห็นธรรมเห็นว่าร่างกายไม่ได้เป็นตัวเราของเรามันก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าออืเรู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจรงิงไม่ต้องไปอินเดียวิวสูจนว่ามีมีพระพุทธเจ้าอริงหรือเปล่าพิสมจน์พระสงฆ์ก็คือเราเนี่ยนะคนที่มีดวงใจเห็นธรรมก็คือพระสงเนี่ แล้วคะ่ะพระผูดามันนี่ก็เป็นประสง์อืมอืค่ะทีนี้คำถามข้อที่สองนะคะคือคือถ้าสมมติว่าอย่างเคยเคยได้ยินพระอาจารย์สอนว่าถ้าสมมติว่าเราเอา่อเราทำบุญแล้วเราเอาเอาเงินส่วนเอ่อแล้วเราไปขอลดหย่อนภาษีเนี่ยคือเราจะไม่ได้ไม่ได้เต็มได้เราขอคืนไงทำบุญร้อยบาทแล้วก็ขอคืนสิบบาท ก็แล้ ว, ว ค, คุณทำเก้าสิบบาท น, นั่นเองเจ้าค่ะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเราขอลดหย่อนแต่ไม่ใช่เป็นชื่อของเราเพราะเราไม่ต้องการจะลดหย่อนแต่ว่ามีคนเข้ามาขอว่ามีคนเข้ามาขอว่าใส่ชื่อเขาถ้าถ้ามีสมมุติว่ามีครอบครัวค่ะมีบางคนเข้ามาขอว่าถ้าใส่ชื่อเขาได้ไหมเขาจะได้เอาเอาของเราเนี่ยไปลดหย่อนภาษีแทนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะผิดสินข้อไหนไหมเจ้าคะเอออย่างนั้นเขาก็หลอกลวงก็ไม่ได้พูดความจริง Mm hmm. เราไม่ได้เป็นคนทําบุญแต่กาเอา mm hmm. เอาของเอาบุญของเราไปแออ้าง mm hmm. เขาก็เขาก็ทั้งโกหกทั้งลักทรัพย mm ์คือทรัพย์ของราษีที่เขต้องจ่ายเขาเขาเขไม่ต้องจ่ายอ mm hmm. ืแล้วแล้วเราผิดศีลด้วยกับเขาด้วยไห mm hmm. มเจ้าคะแต่ถ้าเราอนุญาตให้เขาไปอย่างนี้เราก็ไม่ผิดเราเป็นคนราทำบุญแล้วบุญให้เราทำบกับเขาไปอืม mm hmm. ถือถือว่าเราได้ทําบุญทั้งสองฝ่ายไหมเจ้าคะก็คือได้ทําบุญทั้งทั้งทางตรงแล้วก็ทําบุญให้เขาได้ได้ได้ลดหย่อนภาษีด้วยอ่ะเราก็ได้ทําบุญครบร้อยเราทําบุญร้อยบาทแล้วเราไม่ขอเกินอีกสิบบาทต้องขอเกินก็มาขอเราก็เราก็สิบบาทนี้ก็ยกให้เขาไปแต่แปลว่าแปลว่าเขาผิดศีลแต่เราก็ไม่ได้ผิดศีลแต่เราได้ได้บุญทั้งสองทาง ก็ไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่าถ้าถ้าเราอนุญาตก็เหมือนกับว่าเขาก็าไม่ได้มาขโมยเงินของเราไปอ๋อใช่ถ้าเราอนุญาตเขอืมทีนี้มันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะในกฎหมายนี่เขาต้องเป็นของตนเองไม่ใช่ยัไปหาคนรุ่นไดียร์ค่ะไม่ไม่ไม่ดีกว่านะเจ้าค่ะเพราะว่ามันมันซับซ้อนเดี๋ยว เพ nice ื่อความสบายใจไม่ต่างคนต่างดีกว um ่าเล้วเกิดเข้าไอไอเอสามาตรวจสอบว่าเราชมดูน้อมคิดเกี่ยวกับการการการนี้การจ่ายภาษีก็ได้เด้ไ้ค่ะเจ้าค่ะต่างคนต่างด้านต่างคนต่างสร้างบุญดีกว่าอย่างด้วยตรงนี้เจ้าค่ะวันนี้ลูกมีสองคำถามเจ้าค่ะตีขึ้น คุณปวเนจริงๆสนท่าทรกันกม่ควรจะรับประทานอะไรนะคนอื่นก็เห็นแล้วเดี๋ยวก็หิวตามมีอะไรไหมคุณปวีนอะไรมีอะไรไหมไม่มีอะไรครับชอบฟังพระอาจารย์พูดครับเคยไปกราบพระอาจารย์ครั้งหนึ่งตอนที่คุณเพื่อนไปบวชมาจากฮาวายครับ มาอยากเขาวาชืว่นใเอเนีบารชันครับบารชันครับบาชันเออเป็นเพื่อนกันครับครับผ ม, มไปกราบท่นครั้งเดียวครับไปพร้อมกับแม่ของของเพื่อนครับก็นนสนใจท่านแล้วก็ฟังท่านมาตลอดครับอออันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ดารัสครับผมดารัสเหมือนกันเลย ครับผมพระสาก็อยู่ดอลลาร์เหมือนกันเคยเจอกันไหมเคยครับเคยเคยที่ว่าไปเจอที่วัดครับอ่าอ่าผมก็ที่พวกผมผมผมไม่มีอะไรมากชอบฟังและชอบฟังคำถามของแต่ละคนครับแต่ว่าที่อยากรู้ว่าที่ว่าเข้าใจว่าเราเข้าใจธรรมเราเราฟังธรรมแล้วเราเข้าใจถึงแก่นธรรมเนี่ยความหมายอะไรครับท่านเป้าหมายก็คือเราเข้าใจว่า ความสุขความทุกข์นั้นเกิดจากการกระทาของเราเกิดจากความอยากของเราถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์พอเราอยากเราก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นหน่อยอยากได้อะไรขึ้นมาใจเราก็จะกระวนกระวายกระสับกระส่ายขึ้นมาอยากจะกินอะไรก็จะรู้สึกกระวนกระวายอยาหายจากกะวนกะวายก็ต้องได้กินก่อน เราก็จะเห็นว่าความทุกข์ของเราความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราอันนี้เป็นแก่นคนเราทุกวันนี้ที่วุ่นวายกันก็เพราะความอยากนี้นะั่นพออยากแล้วมันไม่สบายใจนะมันต้องไปทําตามความอยากมันถึงอย่ากหายอยากจะดื่มเหล้าก็ต้องไปดื่มเหล้ามันเองหายอันนี้เขาบอกให้กักตัวอยู่บ้านไม่ยอมอยู่กันนะ อยู่บ้านแล้วมันกังวนกังวานกระสับประสายเพราะมันอยากอยากจะออกไปข้างนอกอยากจะไปเดื่มไปเที่ยวไปกินอะไรกันนี่คือความเข้าใจของแก่นทำแล้วก็จะรู้ว่าวิธีที่จะทำให้เราหายจากความไม่สบายใจก็คือเราก็หยุดความอยากเท่านี้อย่าไปทําอย่าไปอยากอย่าไปอยากออกไปเที่ยวเนะี้ยพอไม่มีความอยากไปเที่ยวมันก็อยู่บ้านสบายไม่มีปัญหา แกนทำอยูน่นี้อริยาศาสตร์สี่มาไม่สบายใจเกิดจากความอยากจะให้ความไม่สบายใจหายไปก็ถึงต้องเลิกความอานี่อยากไม่อยากใจนะคับผมกแล้วอยู่ที่อเมริกานานแล้วเหรือนานแล้วครับอหืหลายหลายหลายสิบปีก็มาพร้อมกับ พระวชันครับก็ประมาณเกือบสี่สิบปีครับแล้วเจ้ภรรยาเขาก็ยังอยู่ที่คาราโนอยู่ใช่ไหมไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ไม่ทราบถึงว่าใครอยู่ที่ไหนครับรู้ว่าท่านไปบวชที่วัดท่านไปบวชกับหลวงตามหาบัวแล้วก็มาที่วัดท่านแล้วก็ก็เลยไปเยี่ยมครับอ่าไม่รู้จกักภรรยาของท่านนะรู้จักครับตอนแต่งงานครับอ๋อ น, น่าสนะตอนแต่งงานที่ดาลัดรู้จักครับ เคยเจยอกันแต่ว่าหลังจะเข้าย้ายไปฮาวายแล้วก็ไม่ได้เจอครับก็ผมก็ อ, อยู่ดาร์ลัตแล้วก็ไม่ได้ไปไหนมากก็ไปฟอริอดาไปอยู่ฟอริอดาแล้วก็อยู่เอนิดหน่อยครับก็แต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ดารัตตลอดครับธรรมดากรรมเองไทยว่ายไหมช่วงที่ไม่มีโควิดไม่มีโควิดก็กลับเกือบทุกปีครับกลับทุกปีนะกลับมาไปเที่ยวไปไปหาตอนที่คุณพ่ออยู่ก็ไปกลับไปเยี่ยมท่านเกือบ เกือบทุกปีครับแล้วก็ hmm. ไปเจ อ, อพี่น้องอยู่ที่ดาลัตที่เมืองไทยครับแล้วก็ไปตามบ้านต่างๆครับ hmm. แต่ตอนนี้ hmm. มันหนักมากครับตั๋วเครื่องบินก็กลับลําบากอะไรอย่างงี้ครับที่ hmm. ดาลัดตอนนี้หนักที่สุดในอาจจะเป็นในโลกเลยครับในเท็กซัสเลยนะเท็กซัสครับผมเท็กซัสตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาครับอ oh. hmm. แล้วดาลัตก็เป็นอันหนึ่งอันดับหนึ่งของเท็กซัสครับ เพราะว่าตอนนี้ติดเป็นแสนคนเรามีพ opulation แค่สี่ล้านคนเองครับมมตอนนี้ติดติดมากครับหวังว่าคงจะผ่านไปได้ยังปลอดภยัยไดก็รอยาครับรอยาครับยาเขาก็พูดว่าเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่ว่าก็ยังไม่เชื่อว่าเขาผลิตได้จริงแค่ไหนครับก็ได้แต่ฟังจาก ข่าวที่เขาออกมาว่าเขาจะใช้ได้จริงเมื่อไหร่ครับก็ต้องร อ, องไปก่อนตอนนี้ก็พยายามเก็บตัวไว้ก็แล้วกันอย่ครับผมไปไหนไม่ได้อีกแล้วครับก็อยู่แค่ว่าไปวัดบงางคำาเวลามีเพื่อนผูงเสียชีวิตอะไรนี้เราก็ไปเยี่ยมเขาเพราะว่าแล้วก็แม้หมอที่รู้จักไปช่วยคนป่วยจนตายก็ไปงานศพไม่ได้อืม<ๆ>เขาเขา คีเมดไปเลยอโอเคครับไปมีมอะจะถามนะโอเคไม่มีอะไรถามก็ชอบฟังคาปัญหาต่างๆแล้วเอามาแก้ตัวเองครับท่านโอเคสาุาธุครับคุณเซรีนทอนยันคุณเซรีนทอนในมรดการอาจาร์เจ้าค่ะ <ใน S 2> เห็ น, น, นว่ามีสวดีเจ้าค่ะพอดี โยมได้ยินหลายๆท่านวันนี้มาจากอเมริกาโยมขออนุญาตแชร์ข่าวนิดนึงค่ะพอดีโยมทำ ง, งานเกี่ยวกับทางด้าน Export-Import ของเข้ามาที่นี่อะค่ะแล้วก็เหมือนเพื่อนๆเขาเพื่อนๆที่ทำงานนะคะเขาบอกว่าอ่เหมือนมันจะเริ่มมีพวกกระดาษทิชชู่กระดาษอะไรย่างนี้มันจะเริ่มพัดตลาดอีกแล้วก็ยังไงก็เริ่มสต๊อ ก, กันบ้างได้แลนะ้วค่ะ <laughs> อ่า นีาาดถามว่าเ ข, ขาเขาาบังคับให้ซื้อเกินสองสองสองมวนตอบตอคนไหน่ใช่ค่ะเพราะอาจารย์แต่แต่คือบริษัทโยมนี่เป็นเหมือนกับเขาทำเกี่ยวกับดีลกับแมนูแฟคเจอร์โดยตรงแล้วก็กระจายของทั่วประเทศไงคะแล้วเพื่อนโยมเพิ่งจะแจ้งข่าวมาเมื่อเช้านี้เองว่าเขาเริ่มอีกแล้วเหมือนที่เกิดขึ้นตอนเดือนมีนาก็ถ้าถถ้าใครอยู่ที่อเมริกาแล้วเริ่มสตอกได้ก็ สต๊อกได้แล้วค่ะถึงเวลาอีกแล้วแล้วก็ไม่ได้เหรอเพราะเขาห้ามอยู่แล้วกขาไปซื้อตามร้านเขาได้เขาเด้แค่สอง ขายของนะคะพระอาจารย์พวกที่ขายของเขาโทรเข้ามาติดต่อกับเราแล้วเราไม่ได้อยากคุยกับเขาอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แล้วแต่โยมมาต้องรับสายเพราะว่าโยมใช้โทรศัพท์ของโยมในการติดต่อเรื่องงานแล้วบางทีเขาโทรเข้ามาแล้วเขาก็ขอคุยกับเจ้าของบ้านหน่อยขอคุยจะขายของนะคะ่ะเขานิยมจะทํายังไงดีอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าบางทีโยมพูดไปว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ โยมก็โกหกอะค่ะพระอาจารย์แต่โยมก็ไม่อยากจะบตอนนี้ไม่ว่าไม่ว่าไม่ไม่ไม่สนใจกันแล้วกันบอกไม่สนใจที่จะซื้อของอะไรนี้เพราะว่าเยอะแล้วเกินอะค่ะอาจารย์ก็ว่าก็วางสายไปเลยก็ได้ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นดีกว่าค่ะวางสายไปเลยทัหมดดีออกเคค่ะพระอาจารย์นั้นโยมจะทําอย่างไงนะคะพระอาจารย์คะเราก็เรื่องอ่าพอดียองฟังของคุณที่เอ่าเรื่องลูกอะค่ะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยลูกสาวโยมยังอยู่ที่โดมินิกันริปับลิตอยู่แล้วเขาก็เหมือนกับว่าใจตัวเขาอยากจะกลับมาบ้านนะคะอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแต่ด้วยความที่เชื้อโรคโควิดมันสูงมากโยมห่วงโยมก็บอกเขาว่าอย่าเพิ่งกลับมาอย่าเพิ่งกลับมาแล้วทุกครั้งที่เขาคุยกับโยมเขาก็ร้องไห้เขาบอกเขาอยากกลับบ้านการที่โยมยื้อไปเรื่อยๆะคะ่ะย้อบอกอย่าเพิ่งกลับ รอก่อนรอก่อนมันเป็นการผิดศีลไหมคะเพราะเหมือนกับว่าเราเรายังไม่ได้ซื้อตัว๋วเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างค่ะพ่อจา๋อาไม่ผิดหรอกเพื่อความปลอดภัยของเขาทําเพื่ออบอุ้มเขาก็บอกเขาว่าตอนนี้ยังไม่เหมาะที่ะทจะมาตอนนี้ที่นี่มันโลกมันกําลังระ บ, บาดอยู่ที่นั่นปลอดภัยกว่าค่ะเพราะโยมเป็นห่วงว่าการที่โยมเหมือนเหมือนเขาก็คาดหวังว่าเมื่อไหร่ เขาอยากได้วันจะกลับวันนี้วันนี้เมื่อไหร่จะได้วันเหมือนเราอาการของเราที่เรายื้อไปเรื่อยเื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเนี้ยค่ะแต่โยมก็ไม่ได้บอกเขาว่าวันนี้ยังกลับไม่ได้นะบอกแต่ว่าเออเดี๋ยวแม่ดูตัว๋วเดี๋ยวแม่ค่อยเดี๋ยวแม่ค่อยดูอย่างเนี้ค่ะถ้าพูดตรงตรงไปก็ได้ไม่ต้องไปหลอกก็ก็บอกตอนนี้แม่บอกวแม่วันนี้มาแล้วที่นี่มันน่าอันตรายอย่าพมาดีกว่าดีที่ได้ปลอดภัยกว่า ยังเกิดมาแล้วติดเชื้อหนูจะลําบากแล้วแม่ก็จะลําบากด้วยแม่ไม่ได้ติดเชื้อเพราะเขาไม่ให้ไปเอาไกล้ค่ะค่ะพระอาจารย์ก็นี่แหละค่ะมีมีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์นอกนั้นก็ไม่มีอะไรค่ัพระอาจารย์อ๋อแล้วก็ไปที่ท่านต่อไปนะได้สักครู่ค่ะอยากจะถามอีกทีหลังก็เราเราเราเราล้อมาแล้วกัน ค่ะคุณทวีสาเลยคุณทวีสาอ่าเสียงยังไม่ยังไม่เข้าต้องเปิดต้องกดใหม่ค่ะ่ะกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์อ่อยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระอาจารย์สวิตเซอร์แลนด์อ๋ต่างชาติเยอะตรงนี้วันนี้ค่ะวันนี้มีโอกาสได้เข้ามากลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะ มันครั้งแรกหรือเป่าเนี่ยอ้าวไม่ค่ะเข้ามาก่อนหน้านั้นนานมากแล้วค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาแต่ก็ทำพระอาจารย์เรื่อยๆค่ะอ่าค่ะ<ม>วันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์วันนี้อยากแค่เข้ามารับพลังจากพระอาจารย์ให้ตัวเองสร้างสติแล้วก็ให้มีความมันเพียนมากขึ้นค่ะเข้ามา ใ, ใกล้ๆค่ะเมืองอะไรอยู่ที่เชียงราย อยู่ที่ที่กรีซค่ะพระอาจารย์ทางตอนใต้ค่ะทางใต้ของสวิตค่ะใต้ของเบร์ลงไปอีกใช่ค่ะพอาจารย์ก็จะถึงก็จะถึงอิตาลีเลยเนี่ยใช่ค่ะพระาอาะะจารย์อยู่ถัดไปก็มีอิตาลีเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะมันใกลนอยู่ใกล้ Grand <c oughs> อินเทอร์แลนด์แกรนด์วอ่าไม่ใกล้เท่าไหร่ค่ะแต่ก็ถ้าเกิดนั่งรถไฟก็ประมาณสี่สิบห้านาทีค่ะสี่านาที ค่ะค่ะมันจะลอดผ่านุโมงไปอะค่ะแต่จะแจ ก, ก่ายตอิตาลีมากกว่าถ้านั่งรถไฟไปอิตาลีจากเมืองที่ที่หนูอยู่ก็จะประมาณสามสิบนาทีค่ะโอเคค่ะถ้าไม่มีอะไรก็ขอไปคุยกับท่านต่อไปเลยนะค่ะค่ะกับ ข, ขอผู้คุณค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะอ่ า, า, าคุณสมตรงปิดกล้องแล้วแสดงว่า ไม่สะดวกที่จะตอบที่จะ ค, คุยด้วยก็คิดห่าบทบทรายการแล้วมีใครไม่คนวิชนเห็นไหมที่อยัางไรคุณคุณวาริคุณวาริศเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะะี้คคุณวิทูลคุณวิทูลเปิดหน้าละคุณวิทูลมีอะไรจะพูดไหมครับกดอันมิวได้เลยครับครับนสัสศการพระอาจารย์อยู่เ <laughs> ชียงใหม่ลูกศิษย์บัญญาณ ครับผมดำเนินวิญญาณมาก่อนเลครับรอาจารย์เอ่อฟังพอาจารย์แล้วก็ญาติโยมทุกท่านนะฮะก็รู้สึกได้สติปัญญาขึ้นมาครับในการดํารงชีวิตเหมือนอ่าคุณโยมคนเมื่อกี้อ่าให้ข้อคิดไปนะครับอาจารย์ อ, อดีก็ฟังไปไม่มีอะไรที่นึกคิดคำถามเลย ไม่มีทา ง, งขอรายงานตัวพระอาจารย์เนะเพราะว่าทํางานไปด้วยในภารกิจในครอบครัวแล้วก็ฟังพระอาจารย์ไปด้วยก็เลยไม่ไม่ได้เปิดกล้องออ ม, มารายงานตัวกับพระอาจารย์ครับโอเคสบายดีนะสบายดีพระอาจารย์ขอพระอาจารย์อ่าดูเป็นล่มโพล่มใสของญาติโยม ไปนานๆนะครับอยู่กันจนกว่าจะไม่หายใจเมื่อไม่หายใจเมื่าไหนก็ไปสาธุอาจารย์กลับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสาธุสาธุผมอคนวารีอันนี้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยกำลังจะกลับรีบกลับบ้านแต่เพิ่งก่นได้กินว่าอาจารย์จะปิดรายการแล้วเลยเลยต้องขอกลับนัดในการว่าอาจารย์ครับมาด้แลที่สถานีรถไฟนะใช่ครับ ขอโทษนะครับถ้าเสียงเราป้วนเมื่อกี้การใช้ขอสอบถามเพราะแต่ว่าการใช้ชีวิตทางโลกนี่เราจะรู้ได้ไงว่าตัดสินใจอะไรอะไรคือธรรมอะไรไม่เป็นธรรมครับาก็ดูศีลธรรมเป็นหลักนะครับผิดศีลก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่าเป็นศีเข้ามัข้อแรก ก, ก่อนทำอไรอย่าให้มันผิดศีลอย่าไปเสกใ บ, บ, บยมุกนี่เราอย่างนี้ก่อนครับ อย่างอื่ก็ยังไม่เป็นไรก็ค่อยแก้ไปเป็นโลกมากร้ความเมตตาอย่างนี้ก็อาจจะต้องปรับหน่อยอยากคิดแต่เอาประโยชน์ใส่ตัวเราเองคิดถึงคนอื่นบ้างคิดถึงคนที่เขาเหนือนนอนเป็นสมัยก่อนนี่เวลาขึ้นรถขึ้นรถเมย์นี่ผู้ชายเวลานั่งอยู่ถ้ามีผู้หญิงขึ้นมาหรือผู้หญิงตั้งท้องหรือเด็กเนี่ยเขาจะลุกแทนให้เด็กเลือนผู้หญิงเขามานั่งแทน แล้วพี่พระจมาต่อกันอยู่ในสังคมอล้วพี่พอาจารย์บอกว่าที่คนถามฉันกาแฟเมื่อเี้าฉันอย่างนี้แล้วแบบหลวงปู่หลวงพ่อท่านฉันมากอย่างนี้เพราะอะไรอะครับอ๋อท่านฉันไปเพราะว่าท่านไม่มีปัญหาแล้วท่านไม่ได้ฉันด้วยความอยากนะอ๋อมีคนเอามาถวายท่านท่านก็ฉันไปอ๋อมันจะฉันเพราะเป็นยาสมัยก่อนก็อาจจะเป็นยารักษาฟันก็ได้ไม่มีไม่ ไม่มีไม่มีวิธีรักษาแบบนี้เพราะว่าเลยเคี้ยวหมากกันมากนี่มันเป็นยายาที่จะทำให้ฟันไม่ผุฟันไม่เสียแ่อ น, นี่ก็เป็นเป็นส่วนผลพอยได้ส่วนหลักก็คือท่านก็เคยท่านก็เคยท่านก็เคยฉันามามา่ก่อนตอนที่ยังไม่ได้บรรลุพอท่านบรรลุหน้าที่นี้่จะฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้้ดตแต่ แต่ตามที่ท่านปฏิบัติท่านก็ไม่ได้แฉมนะตอนที่ท่านปฏิบัติท่นก็นตัดหมดครับแล้วดู่าช่วงไหนของของชีวิตของนันเพราะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงปฏิบัติอยู่เราก็ตัดให้หมดก่อนเ<อ>ราบรรลุนาำต่อไปมีใครเอากาแฟมาให้ดื่มก็ดื่มได้แต่ใจจะไม่ไปคิดถึงหากาแฟมาดื่มเองอย่างนี้อ๋อครับหลวงอคับช่องหลังผมพยายามปฏิบัติทำมากขึ้นแต่เพื่อนดัน ชอบผมน้อยลงเพราะบอกว่าผมไม่ยมเข้าใจม็อบว่าทําไมม็อบมันอยากทำอย่างนี้บอกว่าผมเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเอา้าวแผมเออใจเราสาคัญที่สุดผมก็บอกว่าใจเราจะไม่ต้องไปทุกข์กับมันแต่เขามาหาว่าผมเห็นแก่ตัวผมงงเลยเพราะในเวลาใครก็จะว่านะเหมือนกันนี่ของเขาเราก็แลเราก็ต้องยึดหลักความถูกต้องความถูกต้องคือความสงบไม่อย่งไปก่อขุกอ่ก่อสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมือง การเรียร้องสิทธิ์ก็มีวิธีเรียกร้องโดยที่ไม่ต้องไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนะครับแล<ช>้ว้็มี<ห>เรื่องส้างในเวลาเรื่องสร้งเกาไปเลือกเลือกผู้แทนของเราไปสาาทสิประชาธิปไตยก็มีไม่ใช่มามาโวยวายมาสร้างความเสียหายเดืดร้อนให้แก่ชาวบ้านเขาคได้ไหม ท, ที่ปฏิบัติธรรมอยากให้คนเรามารักษาใจตัวเองมากขึ้นให้รักตัวเองว่าใจเรามันสําคัญขนาดไหนไม่ยอมรักษาใจกันเลยผมก็ เรารักษาใจเราไปดีกว่าเพื่อนมันต้องไปรักษาไม่หรอกรมันมันไม่ชอบเราก็คนมันต้องเยอะแยะเลือกครบคนดีกว่าเลือกคร บ, ค, รบคนที่เป็นธรรมะธรรมโมดีกว่าครับธรรมะนั้นก็พยายามจะสอนตัวเองทุกๆวันว่าเราต้องเป็นคนที่มีไม่คิดว่าตัวเองดีหรือไม่คิดว่าตัวเองแย่แต่ให้มีส ต, ติว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมครับหลวงครบก็บบอย่างไรล้กล้มีศีลธรรม อย่าไปทำปาบาปอย่าไปเสบบาบายามุกลแล้วก็มีความเมตตาเออเฟื้อแบ่งปันกันมีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปอย่าเอาแต่กอย่เอาแต่เห็นแต่ตัวอย่างเดียวไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณหลวงพ่อมากเลยครับ คนพิชชนหมดแล้วนะเมื่อกี้เห็นคุณกอฟยกมือนะฮะคุณกอฟจะพูดไหมฮคุณครับอนั่งได้สามสิบนาทีครับโอโครับมโอะไรับ น, นั่งได้สามสิบนาทีครับแล้วเมื่อกี้ที่ผอาจารย์พูดกับพี่คุณพี่วิสิเศ์นะครับเรื่องความอยากครับอคือ ที่ผมเข้าใจนะครับแล้วมันลึกซึ้งมากครับอยากอยากอยา ก, ยากให้พูดอีกสักนิดหนึ่งครับมายถพูดอะไรท่านไหนความเรื่องเรื่องความอยากครับว่าใจเราใจเราไปอยากเองครับอไปอยาก<ม>อย่างนั้นอย่างนี้คือคือผมไม่รู้ว่าการมาลุธธรรมันมันมันยังไงแต่ว่าผมเมื่อกี้นั่งสมาธิก็รู้ว่าเราเกิดความสงบเหนการพิจารณาความยินดียินร้ายแล้วก็ พยายามคิดให้จิตใจมาสงบเสียงเราได้ยินเสียงที่ถูกหูไม่ถูแล้วก็หาอุบายเพื่อปัญญาเพื่อเพื่อพิจารณาแก้ใจิตใจเราให้เป็นปกติอ่ะครับเ อ, อแล้วก็เกิดความสุขสุขใจความใจความหมายขึ้นมาความสงบที่มีอยู่ก็จะหายไปทันทีครับแล้วก็มองเห็นปัญหาบางเรื่องครับเราจะใช้การคิดไม่ได้ครับต้องใช้สมาธิควบคุมนะครับผมต้องใช้สมาธิใช้อุบายขาต้องวางเฉยบ้างวิธีแก้ปัญหาไม่ต้องไปทําอะไรมา อยู่เฉก็ก็ก็เหมือนปัญหาทุกท่านก็บกเหมือนเหมือนก็คือว่าเราอยากไปให้อย่างนั้นอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่เป็นความอยากมันก็เลยเป็นปัญหาครับอืมใช่มนมันผมก็เหมือนกันก็ ย, ยังมีปัญหาหลายอย่างคือยังไม่ได้ปฏิบตัติยังไม่ได้บรรลุสักทีหนึ่งเพราะยังมัด ก, กิเลส ก, กันอยู่ครับโอเคครับโอเคนะั้เดี๋ยวไปมีคนไอพีดีจีาร์หนึ่งศย์ยกมือขึ้นใช่ไหมมีอะไรว่ามาเลยครับกดอันนี้ได้เลยครับ คะมันมาแล้วค่ะพระอาจารย์คะโยมอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้โอกาสดีคนพระอาจารย์คะโยมกลับเรียนพระอาจารย์ไปแล้วว่าโยมอยากจะให้เวลากับลูกมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็เลยปกติโยมทําภาวนานะคะวันละสามรอบค่ะเช้าก่อนไปทํางานชั่วโมงหนึ่งกลับมาหลังจากเลิกงานชั่วโมงหนึ่ง ก่อนนอนชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วพอตอนนี้ยมเริ่มมีความรู้สึกว่าลูกลูกยมเป็นวัยรุ่นยมคนจะให้เวลาพักบ่ายกับเขาเยอะๆยมก็เลยคิดว่ายมจะตัดการภาวนาภักบ่ายออกไปแล้วพยายามจะทําสติรู้ทุกอิริยาบถนะคะเหมือนกับว่ามีสัจธรรสติให้อยู่กับตัวคําถามยมก็คืออย่างที่ยมกราบเรียนท่านพระอาจารย์ไปแล้วนะคะเวลาโยมภาวนา อ่าหน้ายมตรงครึ่งปากครึ่งจมูกอะค่ะมันจะเป็นโพรงแล้วมันก็จะรู้อยู่ตรงนั้นนะคะจนไปลอยอยู่กับที่แล้วก็รู้อย่ตรงนั้นสว่างอยู่ตรงนั้นบางทีหดมาเหลือเท่าปายนิ้วก้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลายมนอนก็จะรู้สึกอยู่ตรงนั้นทั้งคืนก็จะสว่างเรืองๆคาถามยมก็คือการที่ยมรู้สึกอยู่ที่ตรงครึ่งปากครึ่งจมูกอะค่ะแค่ยมทําความรู้สึกตัวเฉยๆโยมก็จะรู้สึกตรงนี้ตลอดเวลาเลยค่ะบางทีไม่ได้ทําอะไรมันก็จะรู้สึกตรงนี้ตลอด กับการนิยมมีสติกรรกับทุกอิริยาบทเราหั่นผักเราล้างจานซักผ้ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงะมันเป็นการฝึกสติหรือเปล่าคะที่เรารู้อยู่ที่เดียวตรงนี้ตลอดนะคะมันก็เป็นการฝึกสติเหมือนกันแต่ต่างาวาระกันเวลาเราทํางานเราก็ต้องมีสติอยู่กับงานที่เราทําเงี้ยเดียวเดี๋ยวทำงานผิดพลาถ้าเราไปอยู่แต่ที่ที่พงจมูกเนีย่ยงันเวลาทํางานก็ต้องมีสติอยู่กับงานที่เราทําอยู่ แต่เวลาเราไม่ได้ทำอะไรนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยเราจะให้มันอยู่ที่โพรงจมูกก็ได้ค่ะใช่ค่ะเวลาโยมทํางานนี้โยมจะรู้สึกว่าโยมยังมีสติไม่พอที่จะรู้ตรงนี้อะไรค่ะเวลาทํางานก็เราก็จะรู้อยู่ที่เนื้อหา ง, งานที่เราคุยกับเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเวลาเรามันนั่งดูทีวีกับครอบครัวนะคะโยมใช้ทีหลักไกลคือมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันหนังนะคะนั่งด้วยแต่ว่ารู้สึกอยู่ตรงนี้ตลอดนะคะ เราไม่ไปสนใจกันนะเรามาสนใจเราสนใจปล่อนมันผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะแต่เรารู้อยู่ตรงนี้ของเราตลอดอย่างเงี้ยค่ะได้เวลาก็ทําสมาธิของเราไปโดยที่เข้าไม่รู้ตัวว่าเราทําสมาธิอ๋ออย่างนี้ถือเป็นการทําสมาธิเหรอคะเออเป็นการดูลมหายใจเข้าออกค่ะมันจะรู้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะพระอาจารย์อย่างท่านั่งอยู่เฉยๆเมื่อไหร่่ะนะคะก็จะรู้อยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะรู้แล้วมันไม่คิดอะไรก็ถือว่าใช้ได้ ค่ะถ้ามันรู้แล้วมันไม่ไปคิดฟุ้งซ่านไม่ไปคิดวุ่นวายใจก็ใช้น่้ค่ะแล้วเออโยมเคยลองนะคะท่านอาจารย์คือเมื่อก่อนโยมเป็นคนที่รักษาสุขภาพมากวิ่งอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วพอบ้านหลังๆมาเนี่ยกลางวันเออหลังเลิกงานไม่ได้ไม่ได้ไปวิ่งแต่ว่ามามาภาวนานแทนเขาก็เอยคุณอยู่ไม่ดูแลตัวเองเลยอยปล่อยตัวเองนะคะโยมก็เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โยมไปวิ่งแล้วก็พยายามกําหนด รู้ตรงนี้อะค่ะมันทําได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะรู้แบบว่ามันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ชัดเจนเหมือนเราเรานั่งอยู่เฉยๆอะค่ะแต่มันพอรู้อะค่ะใช่เวลาวิง่งก็ดูที่เท้าดีกว่าค่ะโ<อ><อ>ยงก็พยายามแบบเอาใจเข้าด้วยอะค่ะเหมือนเขาบ้างเราบั่งอะไรอย่างนีง้ค่ะอันนี้จะดูที่พรองจมูกก็ไปดูที่เท้าเท้าค่ะดูที่เท้าดูที่ทางที่เราวิ่งเดี๋ยวเดินวิ่งไปชนคนนั้นคนนี้เข้า ค่ะพึ่งนึกขึ้นมาได้ค่ะพยายามจะสอดใส่เข้าไปในชีวิตประจําวันนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนยมเคยตื่นเช้าตีสี่ตีสี่ครึ่งตีห้าอะไรเขามานั่งแต่ว่าตอนนี้ต้องตัดทิ้งเพราะว่าอาพอบ้านเขาบอกว่าเวลาตื่นเช้าขนาดนั้นเขาตื่นด้วยแล้วคนนอนไม่หลับอีกอย่างไง้ยมก็เลยต้องตัดตรงนั้นทิ้งไปะค่ะโอเคค่ะใช่ชีวิตโัวเรอย่างนี้แหละมันจะทําอะไรได้สรับอิสรภาพไม่ได้มก็ต้องแบ่งกันไปค่ะ ถ้ายจะเป็น<ม>ตัวเองก็ต้องอยู่คนเดียวอยากให้เขามาทำด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนกายยังชักจูงมาไม่ได้คะ่ะมีหนังสือทำมาเป็น้างภาษาติดอะไรนี้ขอมาให้ก็ไม่อ่านนะคะยมก็เลยหมดปัญญาที่จะชักจูงตอนนี้คะ่ะก็ปล่อยกันไปก่อนล้วทาหน้าที่ของเราแล้วเสนอให้เขาแล้วถ้าเขาไม่สนองก็แล้วไป อันอนี้ละค่ะค่ะแค่นี้คะ่ะนึกออกแค่นี้ขอบพระคุณคะ่ะจิบยกมือเอาว่ามาเลยคุณจิบน้มัสมั่นพระอาจารย์อีกรอบเจ้าคะ่ะคือเมื่อกี้พี่เออเออญาติโ ย, ยมคนก่อนหน้าที่พูดถึงว่ามีภาคภาษาอังกฤษอะคะ่ะพระอาจารย์มีมีสนทนาทำภาคภาษาอังกฤษด้วยเหรอเจ้าคะเมื่อเกิดนี้เกิดวันเกิดวันอังคารังเป็นภาษาอังกฤษเกิดวันพุธังเป็นภาษาไทย เข้าไปวันรเป็นลูกกับภาษาอังกฤษเราอาจารย์สุชาติเนีสนอคำว่าอาจารย์สุชาติเรพิชาตอ๋ออันนี้เป็นภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมเป็นชื่อ AJ อย่างนี้เลยใช่ไหมคะเอ่อ AJ แล้วพอถึงเวลาก็จะเขาก็จะมีไลฟ์แล้วก็มีลิงก์ให้เราเข้ามาในชุมชนอ๋อค่ะพอดีโยมอยากให้ลูกๆฟังด้วยนะคะเพื่อเขาจะได้เข้าใจกาลังช่วยก็กำลัช่วยวันนักการนถ้าไม่ตรงกับวันพระหรือถ้าไม่ทํา ไม่ติดงานเนืออะไรก็วันอังคารก็จะเป็นภาษาอังกฤษวันพุธก็เป็นภาษาไทย่ต้องต้องพยายามไหมคะนอนเร็วๆจะได้ปุเ๋มวันอังคารตอนกลางคืนอ๋อวันอังคารกลางคืนของเมืองไทยเวลาเดียวกันเนี่หลยเวลาเดียวกันแต่ว่าเป็นวันอังคารอ้โหเมื่อวานนี้อ๋อไม่ได้เขาอยู่กับพ่อเขาถึงว่าทำไมโยมไม่เคยได้ฟัง ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาดูยอนหลังให้เขาดูย้อนหลังได้ให้เขาดูย้อนได้เจ้าค่ะแต่ถ้าเกิดคุณลองเข้าไปในหน้านี้ดูเสรจมันจะมีของของที่ถ่ายทอดสดไว้ค่ะค่ะค่ะยมดีใจที่ได้ได้ยินว่ามีนะคะเดี๋ยวจะให้ลองฟังเปิดฟังให้ลูกๆได้เข้าหูบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะ ถ้าถายมในฐานะแม่เราเราทำหน้าที่แม่แค่นี้คือเรามอบสิ่งดีๆให้เขานี่ก็ถือว่าเราทำแต่อยู่ที่ว่าเขาจะเอาหรือไม่เอานี่คือก็เรื่องของเขาเราความอยากของแม่มันก็มีนะคะแม่แม่แม่มีแม่มแม่แมมมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราทำดีที่สุดแล้วแล้วลูกจะเลือกหยิบหรือไม่หยิบมันก็เรื่องของเขาแต่เราให้เงนเขาเขาไม่เอาเราจะทำไงเราจะไปยัด ก แ, แหละแต่ถ้าเขาไม่เอาจะทํำยังไงแล้วก็เก็บไว้<ช>เก็บไว<ะ>้วันนั้นก็คือวันวันข้างหลังวันหลังก้อนี้เขาต้องการแล้วเอยให้ข้อทีหลังนะทำมากก็เหมือนกันวันนี้ให้ทำมากเขาก็ยังไม่ต้องการก็เก็บไว้ก่อนแต่วันแล้ ว, วล ก, ก็ต้องการทำมาก็ออให้เขาได้ค่ะออีกคําถามนะคะพระอาจารย์การสวดแผ่เมตตาที่บอกว่าอีทางมียาตินังโหตุ อันนี้เป็นญาติญาตินี่รวมถึงลูกๆของเราด้วยไหมเจ้าคะญาติส่วนใหญ่ก็หมายถึงคนที่น้าครอบครัวเราที่น้องปู่ญาตายาเนื้อยากครอบครัวเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นญาติเราเป็นเหมือนกับพ่อเป็นลูกกั็นแม่กันค่ะแล้วว่างี้เวลาเราจะเอ่ยอุทิศแผ่ส่วนกุศลเราจะเอาลูกไปไว้ตรงส่วนไหนเจ้าคะเราก็ใส่เข้าไปได้เลยไม่ต้องไปเข้าไปกับตามบทที่เข้าส่วนหรอกอันนั้นก็อ๋อไม่ต้องเป็นภาษาบาลีก็ได้ใส่เข้าไปเป็นภาษาไทยเลย ภาษาไทยแต่ความจริงการผ่านเมตตาจริงๆไม่ได้ไม่ได้แผนด้วยการส่วนหรอกแผ่ด้วยการเวลาให้ความสุขกับเขาเวลาเจอกันนให้ใช้จิตเราเราจตนาเราอุทิศให้แบบนี้ใช่ไหมคะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่อุทิศอันนี้เรื่องเมตตามเมตตาค<ห>ือให้ความความสุขกับเขาให้ความเป็นมิตรกับเขาอืมไม่ไปโกรธไปเกลียดเขาเนี่ยียก็เมตตาค่ะ แล้วถ้าเราทําบุญแล้วเราให้ลูกมาโมทนาสาธุกับเราอย่าง น, นี้หรือว่าพ่อแม่มาโมทนาสาธุกับเราด้วยล่ะไม่ใช่อเหรอคะไม่ได้เห ร, อ, หรอคะเออเราทําบุญแล้วถ้าเขาอยากยังโ ม, มทนาก็เรื่องของเขาแต่เราไปบังคับให้เขามาโ ม, มทนาไม่ได้อถ้าเ้าถ้าเขาเห็นว่าแม่ทําบุญแล้วแม่มีความสุขก็ดีใจไปกับแม่แบบสาธุ ก, กับแม่อย่างนี้ก็เรื่องของเขา อ๋อถ้าเขาสาธุเขาก็น้อมนามจิตของเขาให้เป็นกุศลไปใช่แต่บางทีเขาไม่เข้าใจว่าทําบุญแล้วได้ไปไปให้ความรู้มนทนาเขาก็ไม่รู้ว่าอนุมโมทนาอะไรค่ะก็พอดีเขาโตที่ต่างประเทศด้วยโยมก็เลยได้แต่หวังว่าเออถ้าเราทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีมันอาจจะซึมซับไปบ้างโตขึ้นแล้วเขาเจอปัญหาเขาก็อาจจะหรือว่าไม่ต้องเจอปัญหาก็ได้เขาก็อาจจะมีจิตใจที่อยากจะฝ่ายหาความสงบที่แท้จริง ในทางครูจ้ะค่ะก็ทำไปทำตัวอย่างที่ดีจนเขาจะซึมซาบเป็นแม่ก็เป็นเรื่องของเขาเองค่ะอันนี้คือความอยากของความเป็นแม่นะคะมันตัดตัดยากที่สุดเลยสำหรับยยมค่ะเท่านี้ละค่ะพระอาจารย์ขอพรบคุณเจ้าค่ะกับสรัตการคาษาธูค่ะมีใครอยากจะถามไหมยยมอขึ้น คุณประวิทย์นะคุณคุณประวิตย์เดี๋ยวนะคุณคุณประวิทยถามคุณฤทธิ์กดกดได้เลยครับอันมิวครับเข้าไหมครับอด้ยินแล้วอากาศเป็นกันครับเออขอขอย้อนถามคาที่ที่คุณผู้หญิงท่านถามไปนะครับการที่ผมนั่งทําสมาธิอยู่เนี่ยไอ้ตัวที่ว่าตัวรู้เนี่ยในขณะที่ทําอยู่นะครับหลวงพ่ แล้วเราก็นั่งแรกๆมันก็แค่ว่าเห็นไอ้ตัวเราร่างกายเราในขณะที่เราหลับตาเราก็เห็นอยู่ว่าร่างกายของเราแต่ว่าเวลานั่งนั่งไปมันก็หายไปไอหายไปก็ถามว่าไอ้ตัวรู้ไอ้รู้ก็รู้อยู่ว่าไอ้ไอ้ตูดมันก็นั่งอยู่ตรงนี้ไอ้ขามก็อยู่ตรงนี้มันก็อยู่ได้แค่เนี้ยมันไปติดอยู่แค่ตรงนี้ครับคุณพ่อก็ยังนั่งเข้าไปไม่ลึกพอไงก็าต้องดูลมต่อไป อย่าคิดเวลานั่งมันก็อย่าไปคิดดูลมเข้าออกน้กพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเวลามันแยกออกจากกาันร่างกายมันก็จะหายไปเล ย, ยแต่ตัวรู้ตัวเดียวถ้ายังได้ยังมีร่างกายอยู่แสดงว่ามันยังเข้าไปเข้าไปไม่เล็กพอก็ต้องดูลมต่อไปแล้วพุโทโธต่อไปแล้วมันจะแยกออกจากร่างกายไปต่อไป พอใจนะครับผมโอเคคุณพิมพิดาเพิ่เข้ามาเลยครับคุณพิมพิดาครับกลับนามัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะเพิ่งเพิ่งเข้ามาค่ะพอดีเพิ่งอนางสมาธิเสร็จค่ะเลยเข้ามาช้าค่ะค่ะ่ตอนนี้อยู่ในเต็นแล้วค่ะพระอาจารย์หนาวมที่นี่อยู่ท่ามกลางตอนนี้เริ่มหนาวค่ะเริ่มหนาวแล้วค่ะตอนกลางคืนแบบบางทีก็สิบสององศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนพิพิธานี้ก็มาจากเวอร์จิเนียนะอาจารย์กลับมาเยี่ยมบ้านที่เมองไทยใช่มะใช่ค่ะมีอะไรั้ยก็พอดีตอนแรกไม่แน่ใจว่าวันนี้จะไม่เข้ามาก็เลยไปถามในภาษาอังกฤษเมื่อวานแล้วค่ะก็ก็พยายามปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์ก็ช่วงนี้ก็ค่ะตอนนี้สติระหว่างวันก็ทําได้ดีขึ้นเยอะค่ะแล้วก็นั่งสมาธิก็ สงบได้ดีค่ะแล้วก็พยายามจินานๆจิตัวไม่ได้นะค่ะก็นชั่วนานก่อนตอนนี้ไม่ต้องไปทานปาัญญาเอาสติขอจสมาที่กันค่ะค่ะพระาอาจารย์ก็ไม่มีกําหนดเวลาจะไม่อยู่ได้เท่าที่เราต้องการจะอยู่ใช่ไหมก็ค่ะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะโอเคค่ะก็ะตอนนี้ลูกก็อยู่กับคุณยายก็เรียบร้อยดีค่ะหนูก็ไม่ไม่ ไม่กล้าโทรคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่โอเคเดี๋ยวคิดถึงมากเกินไปเดี๋ยวต้องกลับบ้านเองค่ะพ <c oughs> ระเจ้าบอกเป็นบวงลูกนี้เป็นบวงพระเจ้าตอนที่ยอกบวชเนี่ยไม่ยอมไปดูหน้าลูกเพราได้ข่าวว่าภรรยาคลอดลูกออกมาแล้วท่านก็ไปดีกว่าไปเลยไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปเสกูุตรบายกับใครเลยอืมค่ะค่ะ หนูก็ไม่ไม่กล้าไม่กล้าคุยเลยเหมือนกันค่ะเนี่ยแหละตอนนี้มีโอกาสปฏิบัติมีปฏิบัติเท่นะเพราะมันไม่รู้ว่าจะมีโอกาสาอย่างนี้อีกเมื่อไหร่ค่ะพระอาจารย์ได้มีท่านนี้นะค่ะพระอาจารย์ค่ะกอบกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะตันนี้เราก็เกือบสองชั่วโมงแล้วหนึ่งชั่วโมงสี่สิบหกนาที ม, มีคำถามจากทาง Facebook นะครับเคบนกุล่าคำถามจาก Facebook เจ้าค่ะจากคุณวงศกรแสงนินการให้ทานถ้าขอพรตับไม่ขอพรได้อานิสงส์ต่างกันไหมครับเรื่องพรนี้กับผลอานิสงส์คนละเรื่อง ก, กันทาบุญปักได้ได้อานิสงส์ทันทีส่วนการให้พรนี้เป็นการให้กำลังใจท่านเองเวลาพระท่านสวนให้พร น, นี้ท่าน เมือนอนุโมทนาแสดงความยินดีกับการการทาบุญของเราไม่ได้ทำให้เรามีอานิสงส์จากการทำบุญเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดคถามต่อไปจากคุณนิตยานั่งสมาธิแล้วมีอาการที่ง่าระหว่างกิ้วม้วนตึงเหมือนเป็นหลุมเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วเป็นเพราะอะไรคะ อ, อ๋ออย่าไปสนใจว่าเป็นพ่ออะไร สนใจว่าทำยังไงกับมันวิธีก็คืออย่าไปสนใจให้ดูลมต่อไปหรือพุทโธต่อไปมันจะเป็นอะไรก็ไยมันเป็นไปมันเป็นปิเลสฌมานมันมาหลอกเราให้เราเพียสติให้เราไม่มิไม่อยากจะนั่งสมาธิคําถามต่อไปจากคุณสอลูกเจ้าปู่มาเหศักผมว่าจะถามหลวงปู่ว่ากายว่างเวทนาว่าง สติอยู่กับผู้รู้ตรงกลางอกจิตดูจิตผู้รู้สติปัญญามันจ้ามากมันจะดับผู้รู้ตรงกลางอกผมสงสัยว่าจิตสกิทาจะข้ามอนาคาได้ไหมครับเพราะว่าผมเป็นคาลวาตพิจารณาสังโยชน์ข้อสี่ตามมาลาพระไม่ได้สังโยชน์ข้อหนึ่งสองสามผมผ่านแล้วครับกราบสาธุธรรมครับหลวงปูง่ uh. ก็ถ้าอยากจะละสังโยชน์ข้อที่สี่ก็ต้องพิจารณาสุภาพิพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกาย่อร่างกายไม่สวยงามกา ม, มาราคามันก็จะดับไปต่อไปไม่ได้เป็นคำถามค่ะเป็นข้อความส่งมาจากผู้พิการทางสายตาค่ะคุณสลันปรกรณขันมณีกราบน้ำมัศการค่ะพระอาจารย์หนูเป็นผู้พิการทางสายตา หนูขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์อีกคนนะคะขอบคุณค่ะอ๋อไม่ต้องฝากหรอกยินดีทุกคนใคอยากจะเป็นก็เป็นใครไม่อยากจะเป็นก็ไม่เป็นอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องขอกันอยู่ที่อ ย, ทอยู่ที่ความเจตนาของเรานะคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะหมนแล้วนะมีคําถามอีกไหมตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครยกมือครับ ถ้าไม่มีคิดว่าก็น่าจะพอสมควรแก่เวลานนะสำหรับวันนี้ถึงชั่วโมงกับห้าสิบนาทีพอดีก็ อ, อย่างนั้นก็ขอขอจบการสนนาธรรมไว้เพียงแค่นี้ก่อนสำหรับอาทิตย์นี้นะมาอาทิตย์หน้ากอยมาพบกันใหม่ขอขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิร พ, พิจาณาไปปฏิบัติ